เจิญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายทรรมทุกๆ ท, ท่านมานนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งนึ่เพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามทางด้านการปฏิบัติเรื่องด้านทานสิงและภาวนาทุกท่านที่ต้องการที่จะเข้ามาการยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้ามาก็รอคิวมันไปตามลดับใครเข้ามาก่อนก็จะได้ถามก่อนครันี้ก็เป็นคิวของหมอพีเชนทางคุณหมอพีเชนกรับน้งสงการพระอาจารย์ครับเมื่อวันอาทิตย์ในรายการ d r V Channel ท, ที่ผ่านมาพระอาจารย์ได้เมตตาอธิบายเรื่องสังโยชน์สิบให้เข้าใจได้โดยง่ายทำให้โยม ด้วยความเข้าใจมากเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ไปอ่านด้วยตัวเองครับอาจารย์กลุ่มทั้งได้เห็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อการละสังโยชนิสิทที่เป็นรูปธรรม ท, ที่ชัดเจนนักขึ้นครับโยมก็ขอน้อมนําคําสั่งสอนของพระอาจารย์ไปปฏิบัติเพื่อการละสังโยชนิสิทต่อไปครับจึงมากราบเรียนพระอาจารย์แล้วมีขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะนะครับอข้อแรกก็ละสกายาทิฏฐิอย่ปคิทว่านั่งกาย ความรู้สึกไม่คิดนเป็นตัวเราหรือร่าง ก, กายไม่ใช่ตัวเราวิทยาความรู้สึกสุทุกข์ในสุขไม่ทุกข์นี่มันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังครับมันไม่ได้ห้ามันไม่ได้เวลามันจะเกิดก็เกิดเวลามันจะดับก็ดับถ้าเราไปพยายามที่จะไปควบคุมบังคั้มันมันก็จะทําให้เราทุกข์เพราะเราอยากจะให้มันสุขเราไม่อยากให้มันทุกข์เวลานเจ็บเราอยากายให้มันหาย มันไม่หายแล้วก็ถมุถกข์ันแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันเจ็บมันไม่หายก็อยู่กับมันไปเท่านั้นเองมันก็มันก็ไม่ทุกขอยู่ได้อยู่แบบเฉยๆอยู่แบบอุเบกขานี่คนไม่มีอุเบกขามันอยู่ไม่ได้ที่ต้องฝึกสมาธิเพื่อให้มันมีจุดยืนจุดยืนของจิตที่ปลอดภัยก็คือจุดอุเบกขาวเวลาเจออะไรก็อุเบกขาไป มีเชื่อมันก็อุเบคขาไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกอย่างเห็นมร่างกายเป็นจะตายมันก็แล้วก็อเบกขาไปมันก็จบปัญหาแค่นี้ง่ายๆอยู่ที่ตัวเบกขาตัวเดียวเลยแล้วก็ตัวตัวเข้าใจหลักของการปฏิบัติกับสิ่งตา่างๆต้องปล่อยวางทั้งหมด เพราะเขาเป็นธรรมชาติเขาไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราเราไปสั่งเขาไม่ได้อาจจะสั่งได้บางครั้งมาเวลาแต่พอท่าไม่คิดคิดถึงมันสั่งไม่ได้ก็ต้องก็ต้องยอมรับครับสภาพความเป็นจริงของมันไปนี่คือปัญญาเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติทีเราเราจัด ก, การกับธรรมชาติได้เราคิดว่าเราเก่ง เอาทุนขีดหนึ่งมันจ่าการไม่ได้โครงการน้ําท่วมต้องมั่งการมาคีดปีกี่สมัยแลนะไม่อยาบท่วงก็ก็มันท่วงก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าอยู่กับมันได้ก็ไม่ท่วงก็เฮียร์พายเลยอเล่นกันสักพักมันเปลี่ยนวิธีไปไหนมาไหนในการพายเรยอตามไปยึดวิธีเนึ่งมันก็จะทุกขึ้นมา สมัยก่อ น, นเทือก็ภายเรือแนะก็มีของแต่ไปไหนเขาใช้เรือใช้ของหรืใช้รถยนต์อันนี้ก็คือทางยวดมันมาเป็นกลุ่มละตัวที่ได้อีกสองตัวที่มาเป็นบริวารมันก็จะละได้าของนะเพราะมันจะเห็นจากการบริัารจากการอาศัยยันต์มันเห็นการทำงานของ ความมุจิทำบาปจิตจะทุกข์คิดในทางบาปจิตกระทุกนะคิดจะทำบาปมันทุกข์นะเรื่องรักษาสิ่งอะไรไม่ใเป็นเรืองที่เราดำในสงสัยต้องรักษาต้องไม่คิดไปในทางทําบาปทําแล้วมันทุกข์นะมันไม่ต้องไปรอให้เขามาจับว่าติดทุกข์ติดละภคเดี๋ยวเราคิดเท่านั้นเจ็บใจแล้วก็ไม่สบายนะ จอมียกตัวอย่างของการะละทัย่นเอาเราลริ่เป็นปฏิบัติครับอาจารย์เอาเอากลุก่มแกให้ได้ก่อนสามตัวเอาไ ป, ปกลุ่มที่สองเอกลุ่มที่สามครับห็ออาจาข้อสำัญอันนี้ก็ฝึกสติสมาธิให้มากๆให้ได้บริขามากๆ เพราต้องการให้จิตนตั้งอยู่ในอุเบกขาต้นหนึ่งเวลาปล่อยวางก็ต้องปล่อยที่อุเบกขามันปล่อยที่อื่นไม่ได้ถ้าไม่มีอุเบกขาก็ปล่อยไปได้โอเคนะหมอขอบคุณครับอาจารย์เชิญคุณสาวตาการจากชายนาตอนนี้น้าท่วมไม่ใช่หน้าไม่ท่วมคร่ะอาจารย์ครับ ไ, ไ, มไม่ไม่ฝนหนักไหมผนเยอะไหมตกนะคะอาจารย์ค่ะ ม, มาฟังทำค่ะอาจารย์ปฏิบัติทุกวันค่ะอาจารย์คบางเฉยนะแต่ถ้าพูดไงเขาปล่อยก็พูดไปเขาจะทําอะไรก็ปล่อยก็ทําไปเดี๋ยวนี้ชิลละค่ะได้หมดเราจะอยู่กันไปอย่างยาวนานไม่ทะเลาะกันไม่เกลียดกันตั้งตังตั้งแต่ฝึกมาไม่ค่อยทะเลาะแล้วค่ะอาจารย์คือ มันมันมันไม่ทะเลาะแล้วค่ะเฉยพระธนชาชนะขึ้นมาใช่แต่ว่าเพอเอิญไม่แน่ใจอะค่ะพระอาจารย์เหมือนเราฝึกแล้วมันก็เลยไม่หุดหงิดอะไรค่ะมันฟังแล้วมันผ่านไปเฉยเฉมันเฉยเฉยไม่โอเบคขาไเฉยเฉยได้ค่ะค่ะเนี่ยต้องรัดต้องชันต้องโกรธต้องเกลียดขึ้นมาค่ะตอนนี้คือคนที่แบบ รู้สึกที่ตอนนั้นที่ตอนเข้ามาที่บอกอาจารย์นะว่าแบบโกรธมากอะ่ะอันเนี้ยเข้าได้หมดพูดอะไรได้หมดนั่งได้หมดคุยได้กินได้เขาจะพูดอะไรลูกคือมันเหมือนไม่ไม่รู้สึกอะไรเฉยอย่างเดียองอาจารย์อย่างประมาทก็แล้วกันเดี๋ยวไปเจอไอตัวที่เป็นไล่เข้าผูกขว้ว่าก็อาจจะสติแตกได้ ก็พยายามที่ว่าอาจารย์ฟังที่ว่าอาจารย์สอดสอนว่าก็ตประมานะเผื่ออาจจะไปเจอต้องรีบจะได้รับเลี้ยวให้หมดทุกอย่างที่ถึงเรื่องที่เราไม่ชอบยังมีอยู่ก็เปล่าเรื่องเรื่องที่มันจะจี๊ดใจดาวนอนยังมีอยู่ก็เปล่าอืมไม่ไม่ค่อยหน้าแล้วอาจารย์เพราะว่าสุาของลูกที่ลูกแบบอันนั้นสุดสุดของลูกก็คือ เรื่องเรื่องแม่แล้วก็ท<ม>ี่พระอาจารย์บอกว่าให้ลองแบบที่สําหรับที่ใกล้ๆเราอะ่ะ<ม>ก็คือมีพ่อกับแฟนนอกนั้นลูกก็แบบเพาะลูกแล้วมาอนะไรมาอะไรที่มันจะมาห า, ออารอเราอ๋ออันนี้คือที่ที่เป็นที่ ท, ที่ที่ค อ, อะคะ่ะพระอาจารย์<ม>เอเหมอเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เจาะแต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าลูกอะ่ะมีสํารักหรือมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ให้ให้ให้ค่อยมาแต่ลูกก็อะไรนะครับอาจารย์เออพูกเป็นตัวอย่างให้คิดได้ใช่แล้วก็ลูกวันก่อนเนี้ยเราก็คุยกันกับแฟนว่าถ้าสมมติว่าเราเกิดตายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ลูกก็ว่าลูกอ่ะคงไม่จัดงานอะไรให้แฟนน่ะลูกก็คงเอาไปเผาอย่างเดียวเพราะลูกเกลียด รอแฟนรีดทำบุญเนี่ยตอนนี้ไม่ไม่ทําให้นะยิน <c oughs> ใครบุนมันใช่ลูกก็เลยแบบเออลูกก็ว่าถ้าสมมติว่าลูกตายตายเลยอย่าแบบลูกก็ว่าลูกไม่น่าจะไปตกอบายเอาจารย์ <c oughs> เพราะที่แบบวิเคราะห์มาทั้งชีวิตอนะนะ <c oughs> ลูกไม่น่ า, นาลูกความงสงบกันน้องรำแต่แฟนนะเขาบอกว่าของเขาอ่ะ เขาถ้าสมมุติลูกตายอ่ะเขาขอแบบว่าทําบุญงานศพสักวันหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดแบบอยู่ๆตายแล้วเปล่าเลยก็กลัวว่าเดี๋ยวคนจะตกใจหนึกว่าไปฆ่าเมียตายลูกก็เลยเออตามสบายลูกอไม่ต้องทำหรอกเหนื่อยก็ก็ก็เหมือนที่พระอาจารย์ให้ทิกมาด้วยแล้วลูกก็แบบมันเหมือนตรงกับคอนเซ็ปต์ลูก ที่พระอาจารย์สอนมันแบบตรงคอนเซปต์อะค่ะที่ความคิดลูกลูกก็เลยแบบเหมือนฟังพาจาแล้วลูกเก็บลองไปฟังอันอื่นที่เข้าไปอันอื่นลูกไม่ค่อยอนุญาตพระอาจารย์วันละแนวกันนะวันละแนวกัแล้วแบบถามอะไรก็แบบมไม่ไม่ได้ลูกชอบตรงๆตรงๆเลยโอเคดี พระอาจาย์คะรอาจารย์ค่ะพ่จ๊ดดี้มสองการบ้านข้อที่เท่าไหร่นะอนนี้กลับมัการพระอาจารย์คับค่ะวันนี้มาสองการบ้านครับข้อที่ข้อที่สิบห้าถึงสิบแปดค่ะท่านจะทำมาสจักเลียจากยาต้า การอานจะสังฆโหอะนะวัชชนีธัรมนันีเอตัมังคารมุตมังการให้ทานการปรับพุ้นธรรมการส่งขอญาตทั้งหลายและการทำงานที่ประราชจารุษทั้งสี่ประการนี้เป็นมงคลสูงสุด อ, อ น, น เข้าใจไม่การให้ทานการให้ทานแี่การสละเงินกับสิ่งของหรืออะไรที่เป็นที่เป็นของหนูนะอย่าไปขอแม่แล้วเอาไปให้คนอื่นเอาไปของหนูเองอย่างที่แม่ให้หนูก็หนูไม่ได้ใช้เก็บเอาไว้หนูอยากจะทำบุญก็เอาเงินตรงนั้นทำแต่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะทําบุญไปของแม่แม่ของเงินหนูทาบุญไม่ไม่ได้บุญนะ ก็เป็นเงินของเราเองนะหรือเป็นของของเราเองเห็นเพื่อนเขาไม่มีรองเท้าเราเป็นรองเท้าหลายคู่อแบบให้เพื่อนเขาไว้สักคู่หน่อยๆก็ได้ครับไม่ต้องเป็นเงินสมบัติไปก็ได้เป็นเสื้อผ้าก็ได้รองเท้าก็ได้ของเล่นก็ได้เนืออะไรที่เราเห็นเพื่อนเขาไม่มีสงสายเขาอยากให้เขาไปความสุดมากนะเอาไปให้เขาครับครับอ้อสอง การประพฤติธรรมครับการปพฤติธรรมก็เนี่ยนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเรื่งการประพฤติธรรมทำเพื่อให้ใจเราสงบใจเราไ ม, ไม่ไม่คิดฟุ้งซ่านทำอยู่กับาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้ทำอยู่หรือเปล่าทอยู่ครับทำอยู่นะพยายามทาทุกวันก่อนดอนก็ได้นะ ข้อต่อมาข้อต่อมาการสมขคาะญติพี่น้องครนบเราพี่น้องสองคนเียสองข้อกันมากหรือเปล่ามอะไรแบ่งกันนากห่ารแยงกันเออแย่งกันครับแย่งกันนะแย่งกันมันก็ไม่มันก็ไม่เป็นงคนเลยยานันก็ไม่เหมือนหมาเห็นมามันย่งเราเป็นคนนะอย่าไปทาเอาแบบหมา เราต้องให้กันถ้าน้องอยากได้เอาไปก่อนเลยถ้าพี่อยากได้เอาไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผมรอรอบหน้ากันนะผัดกันถสิเรามาตกลงกันถ้าคุณเอาข้าวหน้าครั้งนี้คุณเอาไปแต่ข้าวหน้าเราต้องเอาไปก่อนผัดกันผักันคิวใครคิวันวันนี้วันนี้น้องเอานนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าถ้าอยากจะได้ของเมือนกันต้องให้พี่เขาก่อนนะไม่แย่งกัน ดีั้ยเป็น gentleman ดีกว่านะ g a n เห็นไม gentleman gentle boy gentle แปลว่าเป็นคนเรียบร้อย gentle อ uh huh. ่อนโยนอ่อนโยไม่ดูแลไม่ไม่เป็นสุนัขนะสุนัขนี่มันแย่ของกับกัน <c oughs> เราเป็นมนุษย์เราเป็น gentleman gentle boy เราต้องอ่อนโยนใช้หลักเหตุผลใช้ใช้หลักกติกามีกฎกติกาว่า เราจะไม่ยากครันเราจะผัดกันอันนี้ให้พี่เลือกก่อนพรุพ่กกนี้ให้น้องเลือกก่อนเวญาที่อยากจะได้ของเหมือนกันไม้ต้องผัดคิวกัอนอย่าเอาพร้อมกันดีไหมดีครับถ้าทำยิ่งได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับขนะ้บอต่อมากข้อต่อมาก็คือการทํางานที่ปราศจากโทษครับ อ, อย่าไปทําผิด กฎระเบียบต่างๆทํางานถ้าทําอะไรก็ต้องดูว่ามันผิดกฎผิดระเบียบหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือเปล่าผิดศีิยธรรมหรือเปล่าเข้าใจไหมพอทำแล้วมาเกิด<ช>โทษถ้าทําผิดกฎระเบียบเนี่ยก็ถูกถ้าถิตอยู่ที่โรงเรียนไม่ทําผิดกฎระเบียบเนี่นก็ถูกครูลงโทษใช่ไหมค่ะถูกเข้าห้องปกครองคับทําทผิดที่กฎที่บ้านมีที่บ้านมีกฎไหมมีครับ ก็อย่าไปทําถ้าทําผิดแล้วโดนโทษลงโทษใช่ไหมใช่ค่ะอ่านั่นแหการทำงานการมาทําที่ตรอสัจจ์โทษนะต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เราทํานี้เกิดโทษหรือไม่ถ้าเกิดโทษเราก็อย่าทํำนะเกิดโทษกับผู้อื่นก็ดโทษกับตัวเราเนี่ยหรือก็โทษกับทั้งผู้อื่นและตัวเราก็อย่าทํำเป็นมงคนอย่างยิ่ง เป็นไงตั้งแต่ศึกษามานี่รู้สึกว่ารู้มากขึ้นไหรู้มากขึ้นนะเลาวลืมหรือเปล่าข้อหนึ่งมาในีลืมหรือเปล่าเออข้อนหนึ่งนะแต่ข้อหนึ่งมาถึงวันนี้อย่าลืมนะต้องกลับไปทบทวนนะทบทวนทุกวันไม่ไม่ใช่เอาแต่ ต, ตรงตรงนี้นาเดี๋ยวลืมลืมตอนต้นนะทําบันพยายามทบทวนทุกวัน ดีมากนะทำต่อไปนะ18แล้ว20ข้อครับครับ ม, มีอะไรงไหงมในเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเป็นห่วงคุณป้าสาธากาค่ะเขาได้ยินคำว่ามเร็ง<อ>เขาตกใจว่าคุณป้าเขาเป็นเม็งเหรอเขาไม่ใช่พร <c oughs> าสารท่านเปรียบเฉยๆ <Body. S 2> <c oughs> เป็นคนเป็นก็ต้ตองเป็นนะทำไงได้ต้องคิดอย่างนี้นะ เราเกิดมาเพื่อเป็น เ, <อ>เราเกิดมาเพื่อเป็นเราเกิดมาเพื่อตายนี่คือจุดหมายปลายทางของร่างกายยี่ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ตายเป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็น invisible man หร<อ>ือว่าเหรอใช่ครับ <c oughs> นะ invisible man ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะไม่มีร่างกายครับ <c oughs> โอเคท่านี้ก่อนนะถ้าไม่มีอะไรแล้วขอบคุณพระอาจารย์ครับอาจารย์พรพิไลใช่ยังคุณอนูกมวัสกาพระอาจารย์ค่ะนวัสการะอาจารย์ครับสดีนะคะ นัสการครับแต่ขาวเมื่อเพิ่งไปยูเอฟยนมาเพิ่งส่งไฟไปให้ฟาดจาเพิ่งส่งมาเมื่อสักครู่ใหญ่ครับโอเคนะค่ะงานนสการคุณนันาพตาจากหน้าชันหวนาชท่านี้นวสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกเข้ามากราบร่วมรับฟังค่ะยังปฏิบัติต่อเนื่องเจ้าค่ะพระอาจารย์ เออคุณยินดีไอ้คุณคุณพราแมวคุณพระชีพระแมวนมันส ก, การพระอาจารย์ค่ะไม่มีคําถามอะไรค่ะอ่าไปที่คุณยินดีค่ะคุณยินดีอยาก ร, รักเสียงยินดีอยู่ะกัว ไ, ไปทําอะไรอยู่เนี่ยข้าวไปต่อเ น, นะค่อยกลับมาใหม่คุณบอพระานสนา ทำนมัส ก, การขับพระอาจารย์ค่ะดังหน่อยดังหน่อยเสียงค่อยทำนมัส ก, การข่บพระอาจารย์ค่ะก็ก็กลับไปทําที่พระอาจารย์แนะนํำเขาที่แล้วเรื่องสักแต่สักแต่ว่าได้ยินได้เห็นนะคะก็ก็ก็พยายามตั้งสติค่ะพระอาจารย์แล้วก็ดูสองเด้งคือคือเห็นแล้วก็ให้ให้ดูบนธรรมดาแล้วก็ดูที่ใจมันก็ ม, นกมันก็ไม่มีอะไร อมันต้องมันถ้ามันมีโอเบคามันก็ไม่ต้องทํานะอ๋อโอเคอ๋อค่ะก็เลยว่าลองคุมดูก็ก็คือดูธรรมดาใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปตั้งสติมากอไม่ถ้ามันต้องตั้งสติก็แสดงว่ามันยังไม่มีอสติมันยังไม่มีโอเบคาพอก็เลยต้องตั้งสติให้มันเป็นโอเบคาอ๋อก็คือว่าธรรมดาเลยแล้วก็ดูว่ามันมันมันถ้าดูเฉยๆไม่กระเพื่อมเหมือนกันไม่ได แสดงว่ามีอุเบกขาแต่ดูแล้วยั ง, ย, งยังเริ่มมีอารมณ์ก็แสดงว่ายังไป่มีอุเบกขาอุเบกขาหายไปมีน้อยก็มีอาจจะมีแต่ไม่น้อยไม่ไม่ต่อเรื่องไม่อยากเยอะแต่จริงจริงเจาจาก<อ>สามาธิใหม่ๆก็หมดไปจริงๆเวก e มันยังมันคือไม่ เ, เพิ่มนะพระอาจารย์แต่ว่าเพมัอนประชาเจ้าว่ า, วาให้ลองสังเกตว่ารู้ก็เลยลองลองมาทําแบบว่าอยากให้แบบ จริงๆตอนนี้ก็ยังสงบแล้วก็ยังเย็นอยู่นะพระอาจารย์ก็คือยังไม่ค่อยไม่ค่อยกระเพื่อนกับอะไรถ้าสักตะวันถ้าสักตะวันลุกแสดงว่ามันก็มันก็สัตะวันก็แดงว่ามันมีอุบกขมันเป็นสักตะวันลได้ได้ก็ก็ทําพยายามก็คือทําตั้งตลอดแล้วก็มีคําถามมันหนึ่งค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าเออถ้าผู้รู้เนี่ยค่ะพระอาจารย์แปลว่าผู้รู้เนี่ยเป็นคือตอนนี้กําลังตอนนี้ก็คือชอบดูเรื่องของสัพเพ เรื่องธรรมะานาัตตาค่ะพระอาจารย์แล้วก็ผู้รู้เนี่ยถ้าคือผู้ผู้ผู้รู้เนี่ยจริ ง, รงๆแล้วก็คือมันเป็นเช่นนั้นเองตามนั้นแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่มันที่มันเป็นเหตุปัจจัยของผู้รู้ก็คือเรื่องของกรรมใช่ไหมครนะพระอาจารย์คือแสดงว่าเราก็ต้องพยายามคือทํากรรมดีเยอะๆเพราะว่ามันก็คือเป็นเหตุปัจจัยเพราะว่าผู้รู้ก็คือไม่มีอะไรอย่างนี้เข้าใจถูกไหมคะ ก็ผู้ร okay. ู้เนี่ยเป็นผู้กระทํากรรมเราเพื่อปฏิบัติเพื่อมันไม่ทําอืมมือไม่ทําทั้งหมดคือต้องละทั้งหมดทั้งมุ่ทั้งบาปได้ครับอไม่ละได้ครับจะทําก็ไม่ได้ทําแบบแบบแบบยึดติดทําแบบกิริยาทําแบบไม่ได้หวังผลไม่ต้องการผลแล้วแล้วก็เดี๋ยวทําหน้าไปไปเขาชีโอนก่อนนะคะว่าอาจารย์ไปดิ ไปไปเอากําลังก่อนแล้วก็ก็ น, นี้ทางบ้านก็โอเคแล้วเปิดทางเดี๋ยวไปเดือนหน้าจะไปสารน้อยค่ะพระอาจารย์ค่ะพยายาม <ไป S 1> จัดไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์แล้วก็ตั้งใจทํามันมันเพิดพอเริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มากแต่ว่าเขาสงบเย็นใจและมีตลอดพระอาจารย์อารมณ์มันไม่เกิดคือไม่เคยไม่เกิ เ, เพิ่มกับอะไรค่ะพระอาจารย์โอเคดีมากถ้าถึง ค, คุณบมอนันฐดาเช่น ร, รับนันทศการเจ้าค่ะวันนี้พระจันทร์ได้ยินใช่ไหมเจ้าค่ะได้ยินชัดเจนเลทำกีฬาเองไม่ว่าทำโรงพยาบาล่ทั้งสองอย่างอ๋อมีทั้งสองอย่างเลยเจ้าค่ะอยู่เป็นเป็นแบบแต่ละที่แบบเป็น r า t ทา e เจ้าค่ะซึ่งก็ดีกับชีวิตเจ้าค่ะพระจานาร์รู้สึกว่ามีมีเวลาในการปฏิบัติมากเจ้าค่ะพระจันทร์เจ้าค่ะ ก็วันนี้โยมก็ ม, มีมีคำถามเกี่ยวกับว่าเออถ้าเ อ, อ่อในช่วงนี้เนี่ยคือก็ได้เรียนรู้มากขึ้นจักค่ะอาจารย์เกี่ยวกับการออปฏิบัติในชีวิตเ อ, อ่อเดิมทีเวลาที่เ อ, อ่อมีกิเลสเข้ามาคือเหมือนโยมจะ รีบตัดบรนหรือหรือว่าแบบเหมือนตั้งกาดไว้ตั้งแต่ต้นนะเจ้าค่ะพรอาจารย์แต่ก็เหมือนมีพระอาจารย์บางรูปท่านก็แนะนําว่าคือมันก็ดีที่เราไม่อะไรกับอะไรแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้เรียนรู้มันตามความเป็นจริงเพื่อเหมือนสั่งสมเป็นปัญญาองเนี้ยเจ้าค่ะพรอาจารย์ก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบปรับตรงนี้อยู่เจ้าค่ะอาจารย์ทำยังไงทตรงนี้ทำยังไงอืมก็พยายามก็กําหนดกําหนดรู้ไป เออ่ในชีวิตที่มันเกิดขึ้นจริงอะไรแบบเนี้ยเจ้าคดก็คืออาจจะเอะไม่ได้เหมือนกับว่าไปรีบริ บ, รบอารมณ์หรืออะไรแบบเนี้ยเจ้าดพระอาจารย์มันยังไม่เข้าใจเราที่เราทําอย่ะไรอือคือคื่อนิยมก็ยังปรับอยู่เหมือนกันนะเจ้าคดพระอาจารย์แต่ว่าคือโยอมเข้าใจว่าเอจุดประสงค์ที่พระอาจารย์ท่านแนะนําำน่าจะเหมือนกับว่า เอ่ออย่างที่พระอาจารย์แนะนำเมื่อเมื่อช่วงต้นว่าเออแล้วถ้าเกิดเหมือนเราไปเจอแบบทดสอบที่มันมันหนักกว่านี้หรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เราเราอาจจะแบบว่าถ้าเราไม่ได้สั่งสมที่จะเรียนรู้ที่มันเกิดมันรู้เรียนรู้เอ่อมันตามความเป็นจริงก็อาจจะไม่ได้แบบสั่งสมเป็นปัญญาต่อไปเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ของนี่มันไม่เห็นต้องสั่งสมนัม้นมนของที่เราวิเคราะห์ได้ ม, ม, นนมันไม่แน่นอนผู้ะเจ้าก็บอกว่าร่างกายมันไม่แน่นอนมันเกิดแล้วก็老แก่ต้องเจ็บต้ <c oughs> องตายเขวิกเป็นตายแล้วนั่นเองม่น้องรอประสบการณนเลยต้องอ ร, ปป ร, รองให้ดูเห็นคนตายเหมนกะันถึงใครมาเรียนรูนะ้เ ล, เลจะไปจัดก่ายเขาก่อนก็ได้ สาธาจาริ่งเก่าเก่าของพะพุกุลสกคอ่าโอเคอ่าเธออ่าในที่เรื่อง้อมต่ออ้อมจากบอวินค่ะน้นามัสการค่ะไม่มีคำถามค่ะอ่าจะไปปราบความกวนหรือเปล่าไปค่ะไปวันที่17ค่ะสิบจนะค ะ, อ, ะอาทิตย์นี้วันเดียวไปเกินเดียว S <S <S เออวันนี้ท่องพุโทโธทั้งวันเลยค่ะพระ อ, อาจารย์เพราะว่า อ, อาทิตย์ที่ผ่านมาคือวุ่นวายมากมันเหมือนมันมีสิ่งค้างอยู่ในหัวตลอดเวลามันมีหลายเรื่องอะค่ะพร <_ n ull> ะอาจารย์ุทโธช่วยเคลียร์ได้ไหมวันนี้ได้ค่ะวันนี้ท่องทั้งวันเลยค่ะป <_ n ull> <_ n ull> กติเห <_ n ull> มือนเราจะพยายามเอาปัญญามาใชา้แต่ทีนี้เหมือนแรงแรงของตัวสติเรามันยังไม่เยอะ มันก็เลยมันก็เลยใช้ได้ไม่เต็มที่อะค่ะไม่มีประสิทธิภาพนีพูดโทษดีกว่าค่ะวันนี้ก็เลยท่องทั้งวันเลยค่ะปกติจะไม่ค่อยท่องทั้งวันจะแบบจะใช้ปัญญาเข้ามาผสมอะค่ะแต่ทีเนี้ยเหมือนมันมันคงเยอะอะค่ะค้างค้างในสมองก็เลยต้องท่องไว้เลยต้อไม่หมดค่ะค่ะใช่ค่ะต้องต้องดีลีทเลยเพราะว่านั่งสมาธิมันก็ไม่ค่อยสงบค่ะพระอาจารย์ค่ะ ก็ก็ดีค่ะวันนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณเอกเชียงรายคุณเเชียงรายกล่าวัวสการพระอาจารย์ครับอ่าเป็นยังไงบ้างถ้าผมก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติถือในสันติขปจันทร์แต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ไม่นั่งได้ไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้พูดโผล่ขปจันทร์ที่ ไม่ได้ทำสติให้ตลอดต่อเนื่องครับอขี้เกียจยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมความเป็นยอดเยีนยมครับแต่แต่ก็ทําถือในสัญิกตลอดนะฮะก็เดินนั่งครับอาจารย์ก็ทําแต่ว่าสติมันมันน้อยไปหน่อยครับอาจารย์มันไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเลยนั่งได้ไม่ค่อยนานทีนี้มันรู้มันเห็นผลไห้มันจากการมีสติไม่มีสติเป็นยังไงครับ ครับเห็นผลแล้วครับอาจารย์เพราะว่าเพราะว่าวันพักก่อนที่ที่ผมนั่งได้ห้าชั่วโมงนั้นทั้งวันนี้ผมแทบจะไม่เปิดโทรศัพท์ไม่ดูอะไรเลยคือจะเปิดเขาฟังแต่ธรรมะในยูทู u b e กครับอาจารย์แต่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็สติเลยน้อยไปหน่อยครับอาจารย์เห็นความสำคัญของสติว่ามันเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดทัาผมขอารับ ครับขาดสติตัวนี้แล้วปฏิบัติแม่นได้ไม่เอาไหครับผมใช่ครับใช่ครับอาจารย์ครับก็แต่ก็ปฏิบัติทุกวันอยู่ครับอาจารย์ครับบางีคุณอ้างเราพุทโธทั้งวันเลยครับครับผมบางมันถึงจะนึกจิตกลับมาได้งั้นถูกอยู่เลยหน้าไปถึงไหนกันไป้ึครับผมใช่ครับใช่ครับอาจารย์ครับดีมากทํากลับไปนะมีอะไรไหม ก็ก็ก็มีอยากเอวันก่อนผมฟังตุกตามหาบัวเกี่ยวกับหลักใจคระอาจารย์ยังไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่อยากจะให้อาจารย์อธิบายตรงนี้คือเรขาคือหลักใจเป็นความสงบขอครับอุเบกขาคือหลักใจนะครับอถ้าได้อุเบกขาก็ได้หลักใจมันที่ยึดเหนียวจิตใจได้ อายใจไมีอยู่เบขคหายใจไ ม, ในในไม่ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายครับผมครับผมแต่มันยังเป็นหลักใจแบบชั่วคราวต้องใช้ปัญญาถึงจะเป็นหลักใจแบบถาวรต่อไปครับผมใช้ปัญญาทออี่นาใจรักกับอรนะิยสตินะครับอาจารย์นะครับใช่แต่เมืนอก็นเอาเอาหลักใจจากสติให้รักกันครับผมถ้ายังไม่ได้เราไปทําปัญญาไม่ได้ครับผม เข้าใจนะเข้าใจครับอาจารย์ก็เอาพื้นให้แน่นก่อนก็แล้วกันนะครับอาจารย์เอาสนาธิเอาเมตาให้แน่นให้มันชานาญให้มันครับให้มันทำได้เง็จต่อเนื่องนะครับผมครับผมครับน้องไปปฏิบัติครับอาจารย์กราบขอให้คุณพระอาจารย์เป็นอย่างสุงนะครับครับครุณยินเดย์มา้วยินเดย์มื่อกีหายไปไหน ลูกไปเดินนี่นี่มาค่ะลูกไปเดินจงกรมมาที่สุดก็เลยแบบนั่งสมาี่เสร็จแล้วทานข้าวเสร็จแล้วก็ไปเดินนะคะแล้วก็รีบกลับมาค่ะท่านอาจารย์ค่ะตอนนี้ไม่ได้อยู่กับพี่ชาวแล้ยก่ยังไม่ได้อยู่ค่ะอยู่แค่เม้นกับเดวิดอะค่ะท่านอาจารย์ค่ะเพรเดวิดบอกว่าเช้านี้ค่ะก่อนไปให้บอกจะลืมบอกท่านอาจารย์ว่า ฝาสวัสดีด้วยค่ะแล้วก็วันซองเต้เหมือนเดิมค่ะอาจารย์บอลเมซีบวกกูนนะค่ะท่าอาจารย์แล้วก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าหนูได้เข้าอีกที่หนึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าวันอาคารอังคารตอนนั้นคืออเมริกาอะไรนะทุกท่ากลับที่บ้านแม่เดฟค่ ะ, ะไปบ้านแม่ดิฟแล้ว อ, อยู่กับเขาสองวันแล้วก็เดินทางกลับอเมริกาค่ะท่านอาจารย์ก็หนูก็จะเข้าซูมวันพุธอีกครั้งหนึงนะคะก่อนไป เข้าได้ก <c oughs> ็เข้าเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคือบอกไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือยังไงหนูก็จะได้ตั้งใจนะไม่เป็นไรเพราะที่เราก็มีปัญหาเครื่องคอมันอยู่ดีบางเพมันก็เบี้ยวอยู่นี่แหละนีก็ยังร่วมถ่ายถ่ายเสน่ห์รับฟังมันอยู่นะก็ยังยังยังมุ่นรุ่นอยู่ว่าทครั้งกดปุ่มสตาร์มันจะสตอร์มันจะสตาร์มขึ้นแบบ มันอถ้าอยู่ดีๆคุยกันที่นภาพเราหายไปแสดงว่ามันเรี่ยงแต่ตอนนี้ยังหาส า, าเหตุชี่แท้จริงไม่ได้กันเลยต้องอยู่ตรงนี้เป็นข้อยค่ะแต่แต่แต่สัญญาณมันจะเสถียนใช่ไหมคะ่าอาจารย์อย่างวันเนี้ยหนูก็กลัวเหมือนกันเพราะถ้าเกิดฝนตกเนี่ยมันจะไม่เสถียรเสถียรชัดเจนเสถียรชัดภาพชัดเลยขอพระคุณมากค่ะอาจารย์หนูก็ลุ้นๆอยู่ว่ะจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะก็เลยพอพอผ่าน ยังไม่ตกหนูก็เลยรีบเลยค่ะอาจารย์กค <Yeah. S 2> ก็พยายามเจริญสติะคะ่ะท่านอาจารย์ <Okay. S 2> มันยากมันเป็นลิงนะคะท่านอ า, <Okay. S 2> <laughs> าจารย์ <Okay. S 2> ขอบคุณนะมากคะ่ะท่านชายขอบคุณอย่าสูงคะ่ะยอมเหนื่อลายพอนนายาาน้อยค่ะกล่าวนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะเ อ, อดีใจค่ะวันนี้วันพุดแล้วได้ประกาศพระอาจารย์พระอาจารย์ค่ะ เออโยมขอถามนิดนึงอะคะ่ะพระอาจารย์พอเวลาเรานั่งสมาธิเอ่อชักพักนึงอะคะ่ะมันจะเหมือนมีความรู้สึกว่าตาในเราเราเหมือนมันมันจะชัดอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วถ้าเราถ้าเราดูลมด้วยแล้วเราก็ไปดูเหมือนเหมือนก็ว่าเห็นเห็นความชัดของของของที่เรามองตาในอะคะ่ะพระอาจารย์มันจะเห็นคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นพื้นสีดําแล้วเป็นสว่างเมฆขา ว, ขาว แล้วโยมก็ต้องพยายามแบบดึงดึงกลับมาพระอาจารย์เพราะโยมเคยเคยแบบว่ามองออกไปแล้วมันก็จะมีนิมิตโยมให้ให้ให้ก็อยู่ดลงอางเดียวดูลงอย่างเดียวมันจะช้าก็ไม่ต้องไม่สเราไม่ต้องการเราต้องการความนี่ใช่ไใช่ค่ะโยมก็ดึงกลับมาแล้วก็กลับมาเป็นปกติมันจะเป็นอย่างนี้บ่อยมากเลยค่ะอาจารย์ตอนนั้นเราเป็นวตถุนั่นก็ไป ทั้งที่เรารู้ลมนะคะจารย์นแต่รู้แบบไม่รู้จริงอ่ะรู้บรบรแบบรู้แบบลอยลอยอ๋อค่ะพระอาจารย์แต่พอเราเราดึงกลับมาแล้วก็กลับมาอยู่กับปกติได้พยายามทําอย่างนี้ตลอดค่ะพระอาจารย์รค่ะก็ทําอยู่ทุกวันค่ะพระอาจารย์สิร์ฟมวลตอนเช้าตอนกลางคืนธรรมาที่เช้ากลางคืนตลอดค่ะโอเคสาธุค่ะพระอาจารย์อ่ามันต้องเวลาหายเวลาที่มันได้เข้ามา พักการนักมการค่ะไม่ได้ไม่ได้หรอกยังสายบานอยู่พักการค่ะฟังอยู่ข้างนอกค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมนี่ก็ไม่มีค่ะปฏิบัติอยู่ค่เข้ามาเห็นหน้าเลยนะแต่ว่าช่วงนี้มันมันจะมีฝันเยอะบ่อยอะค่ะก็แค่ความฝันจะปีไม่ค่อยมากมันจะอะไฝันแต่มันฝันแบบ พอดีได้ยินพระอาจารย์พูดถึงหนังตัวอย่างหนูก็เลยหนูก็เลยคิดว่าแต่มันก็แค่ความฝันแแบบมันฝันว่าตกน้ําไปอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ออแล้วมันก็แบบหายใจไม่เข้าหายจะเข้าไม่ได้แล้วมันก็อยู่อย่างนั้นอยู่ตรงที่หายใจเข้าไม่ได้มันไม่มีดิ้นรนอะไรเลยในฝั น, แ, นแล้วมันเกี่ยวกับที่เราคิดว่าหายใจเข้าก็ตาหายใจออก ไม่ออกก็ตายอะไรปล่อยะปถ้าเรเก็บไว้จรนงก็จะจบหน้ามันจะหน้ามากว่าจบปไม่ได้ใช่เหมือนมันลงลงแล้วพอมาอีกสองวันก็ฝันอีกว่ามีคนอ่ะมาอุดจมูกไว้เนี้ยแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมคือมันมันอยู่ตรงรู้อยู่ตรงที่มันหายใจเข้าไม่ได้อแล้วก็ปล่อยมันนี่ตามความเนจริงไม่ตามแปลงไม่มีความคิดเลยเลย ไม่ก็ไปดิ้นเพื่อลงเท่าไไม่มันไม่ดิ้นเลยค่ะเหมือนแค่เอามือพยายามดึงออกแต่ดึงพอรู้วดึงไม่ออกก็ก็อยู่ตรงที่มหายใจไม่เข้านั่นละป่อยแล้วเป็นไงพอพอเป็จุดนั้นแล้วมันเป็นไต่อพอต่อจากที่หายใจไม่เข้าใช่ไหมคะมันก็คือมันเฉยไม่มีความคิดตอนคือไม่ไม่มีอะไรเลยออยู่อย่างนั้นเลยอย่างนั้นแหละแล้วมันก็เลนบา มันปล่อยไปเลยอ่ะค่ะเหมือนแบบมันมันไม่ได้รับรู้ถึงร่างกายรู้แต่ที่มันหายใจไม่เข้ารู้อยู่อย่างเนี้ยแล้วมันก็แล้วมันรู้สึกยังไงตอนนั้นไม่เป็นไรไม่รู้สึกไม่เดือดร้อนไม่อะไรทั้งนั้นนะคะมากๆเฉยเอย่างนั้นใช่ค่ะไม่มีความคิดไม่มีไม่ดิ้นรนไม่ไม่ไม่อะไร มันก็าจจะเป็นตัวอย่างน้ำะเทียเป็นน้ำอะไรจะทำนนได้หนูก็เลยคิดว่าเราพระอาจารย์ช่วงนั้นพระอาจารย์เทศบอกว่าหนังตัวอย่างบ่อยมากเลยหนูตอนแอกกันึกมันก็ความฝันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฝันน่ะเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าอ๋อมันอาจจะเป็นเพราะเราคิดบ่อยแต่พอหลังจากนั้นอ่ะมันก็ยิ่งทําให้เราคิดคิดบ่อยขึ้นเข้าไปอีกเหมือนพอเราสัมผัสไอ้ตรงจุดที่ว่าถึงมันจะฝันนะคะแต่ว่ามัน รู้สึกว่ามันรู้สึกถึงตรงที่มันเหตุได้เข้านั่นนะคะว่ามันเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ถ้าไม่เสียเส้นหมดใจค่ะถือว่ามีสติคุณ้มใจอะไรได้แล้วก็ฝันแต่อะไรก็ไม่รู้แ่บตัวเองเป็นผู้พองเต็มตัวเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบในฝันก็คิดว่าแบบเออก็หนังอ่ะผิวหนังอย่างเงี้ยค่ะ ก็แปลกดีก็ดีเลยว่าเราเริ่มจะรักหนักสุดมากแล้วมันก็เลยฝากมีใ <laughs> จแต่อย่างอื่นก็ไม่ไม่เราก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ฝันอะไรค่ะป้ะมาณนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ญญาากยังปฏิบัติอยู่ฝันเรื่องที่เป็นสาระฝันเรื่องที่เป็นสาระมีคนมาบอกวิทยเป็นอะไรอ่ะในฝันแบบมีคนบอกวิทยเป็นอะไรอ่ะทําไมแบบมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็แบบในในฝันคือคิดแบบก็ผิวหนังอะ ก็ผิวหนังอะต้องเป็นอย่างนั้นไ <c oughs> ม่เช่อก็มาผิวหนังอะต้องเ ป, เป็นอย่างนั้น <c oughs> อะค่ะเหมือนในใจมันคิดอย่างนั้นคิดเท่า ท, ที่จําได้ค่ะ<ม>ประมาณประมาณเนี้ยค่ะแล้วไม่ติดใจก็ไม่ได้ไม่ได้เสียใจเขาว่าเ<ม>นี่ยก็ไม่ได้เสียใจไม่อะไรคิดแต่ว่ามันก็ผิวหนังผิวหนังอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ยังยังนั่งให้มันเจ็บอยู่ค่ะยังทําตอนน่องก็ยังเหมือนเดิมค่ะ ก็คือไม่ไม่มันไม่เป็นไรก็ให้รู้รับรู้มันเจ็บนั่งสวดไปเรื่อยๆทราบอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่องความเจ็บเรื่องควาตาสองอย่างแล้วก็แล้วก็บางทีก็ทิ้งนานๆแล้วก็ลองลองเหมือนกับว่าไม่ได้นั่งให้เจ็บแล้วก็นานๆแล้วก็ลองมานั่งดูว่ายังยังเป็นอยู่ไหมยังได้อยู่ไหมค่ะแล้วก็ที ที่ไฟดับคราวที่แล้วที่ไปบนเขาก็ก็ยังออกไปเดินได้อีกก็ยังเหมือนเดิมค่ะนิ่งกว่าเดิมด้วยส้อมค่ะค่ะอาจารย์ค่ะมีคนี้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ที่วิวะที่ปฏิติของสองหนักเลยอย่อาจารย์นออแล้วก็พูดเลย ถ้าไม่ดียก็ทำไม่ได้ดงก็พอแ่ตอนนี้เป็นยังไ้างตอนนี้โอเคครับอยโอเคครับนอนมันเดมันเดถึงใกล้หรืเปล่าครับเป็นการรัตการสุขครับสุกครับครับปรับดีวว่าอยู่กับลูกด้วยพาพาทานก็ ก็ปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์ก็เวลาเดินไปทํางานเนี้ยลง BTS ก็จะไม่ดูโทรศัพท์ครับก็จะใช้วิธีในที่อาจารย์สอนก็คือกาหนดพุดโทไปเรื่อยๆครับครับก็มีสฏิกิราการเดินครับอาจารครับแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้ไปช่วยงานจิตอาสากับกลุ่มนาถาครับก็ได้ไปเจอแบบเอ่อพวกคนที่คนที่เขาเจ็บป่วยครับอาจารย์เหมือนเราก็ได้ใช้โฟมวิหารสีด้วยแล้วก็ ก็เหมือนเป็นการดูอาสุภาพใจกลางประจันบางคนก็ก็ปิดเตียงบางทีการทำพรอนปิดเตียงอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างเจออันนึงก็คือคุณยาตท่านเลยครับแต่ว่าอยู่แบบได้ข้าวจากได้ข้าวประทางชีวิต จ, จากหลานเอามาให้แล้วก็ก็อยู่ห้องที่แบบค่อนข้างสกปรกครับเราก็ได้แต่เวยขาไปครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องเล่ปนปฏิบัติ ยาแบบให้มันเป็นสภาพอย่างนี้ครับอาครับครับอื่นๆกงไม่มีครับอาจารยนนาฬกาครับเนากาครับเปนุเป็จเหมือนเด็กครับ คร <Okay. S 2> ัอาจารย์ครับอยู่ประชุมทันทีครับผมอา่าเป็ยัได้วันนี้ก็ไม่มีครับก็ปฏิบัติได้ดีเลยครับโอเคด้นนี้นะครับเคนักื <ผม S 1> <Okay. S 2> ่อครับสื่อยอมอเนนเปล่อยไปเลยหรือปลมสรแล้วค่ะน่าจะจนทร์ครับอาจารย์ อันนี้นันนนนบบออกท่องเมี่ยเรื่อยแดบดบออกแดดออกแรงลมแรงด้วยเพราะเมื่อคืนมีฝนตกสองวันกลางคืนมันจะตกเฉพาะกลาคืนค่ะช้าอาจารย์คุณค<อ>ุ้มลรายงานตัวค่ะใช่หายไปหลายลายวันนะอวเมื้อวันพุทธที่แล้วจริงๆแล้วจะต้องเข้าก็นั่งนั่งรอพระอาจารย์รอไปรอนอนหลับไปเลยค่ะ <c oughs> พระอาจารย์ คุณปุ้ยก็สวดมนว่ายพระแต่ช่วงนี้แบบแบบเกิดเอะไรรบกวนมากในจิตใจก็เลยแบบว่ามันเป็นอะไรไม่รู้มันไม่ได้มีปัญหาหรอกพระอาจารย์แต่ว่าอยู่มันแบบเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้กินยาแก้ปุ่มแพ้แล้วแล้วมันมันไม่อยากมันไม่อยากตื่นอยู่ๆมันก็ไม่อยากตื่นขึ้นมาเฉยๆแต่ว่า เหมือนกับคนตื่นสายอ่ะเราปกติเราจะตื่นตีหนึ่งคึ่งแล้วมาปฏิบัติธรรมแต่ทีนี้มันมันตื่นขึ้นมาทีแบบทีสีอย่างเงี้ยตกตใจแล้วแบบเราก็เลยแต่เราก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอ า, ค า, คาจารย์งสวดมนต์ไว้พระนั่งสมาธิเหมือนเดิมบทบทวนเวลาเหมือนเดิมค่ะแต่มันเหมือนกับเวลาที่เราจะตื่นมันเหมือนกับตัวอะไรหนักๆมาทับเราก็ไม่รู้อ่ะค่ะที่อยากให้เราตื่นดรจะเป็นตัวขี้เกียจก็ไม่ทราบพระอาจารย์เด อาจารย์โทจ้ะอ่าแต่ก็พยายามตัวเองค่ะแล้วเวลาแบบยมนั่งนั่งสวดมนต์อย่างเงี้ยตอนเย็นเ็นเนี้ยเวลาสวดอ่ะสวดสวดบทแรกๆเนี้ยยมชอบแบบจะหลับจะหลับด้วยเลยยมก็จําพระอาจารย์บอกว่าเออให้สวดเร็วๆเวลาจะหลับแล้วให้เดินให้ลุกขึ้นมาแล้วก็ยงมานั่งนั่งอีี โยมก็เลยโดดลงจากพืนที่นั่งแล้วก็เดินไปเดินแล้วก็มาสวดแล้วทีนี้พอยโยมสวดเร็วยๆๆๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับพุทธมนต์่ะแล่นเขามาใหัวใจและทําให้เราแบบติดมีกําลังสวดขึ้นมาขี่อะฮะโยมโยมก็กลัวเหมือนกันว่าไอ้ผีมาหลอกเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมผีหลอกด้วยผีรอนผีหลอก อือฮ่าโยมโยมก็เลยขอแบบวันนั้นอะเมื่อสองวันที่แล้วยมขอเพราะว่าโยมอยากจะถือถิ่โยมตั้งปฏิทันไปแล้วว่าโยมจะถือถิ่นแปดทีนี้โยมถือไม่ได้ว่าลูกชายก็มาเอ้ยแต่ลูกชายโยมเนี่ยนะคือโยมจะมีบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นพระบุญของโยมก็ได้นะดูอยูเขาก็มาบอกกโยมบอกว่านั่นอะจะกินมังสวิรัติเหนือนกับโแล้วนะ บอกว่าเฮ้ยยูยูยังอายุน้อยอยู่ยูจะกินได้หรอปะได้สิฉันเห็นเนี่ยยูไม่กล้าตัดฉันก็เลยอยากจะตามยูแต่เขาไม่เข้าใจหรอกือกศาสนาเราเนี่ยเขารู้แต่ว่าเวลาเราสวดมนต์ที่ชอบมาฟังเราสวดมนต์ฉะนั้นแนี่เขาจะได้บุญนะคะอาจารย์ก็เริ่มได้นะเริ่มถ้าเขาทําตามเราแต่เขาก็ได้ตอนนี้เรากังศึกษาอยู่เขาเขาเขาก็ คือเขาก็ศึกษาภาษาไทยด้วยนะตอนนี้เขาบอกว่าันอยู่ก็วเออเวลาฉันเห็นยูสตไงวาเขาได้ทำสมใจนเขามีถามสนใจต่อไปเขาเป็นศึกษาต่อไปน่าจะปบัติควาจรเขาก็ถามโยมเขาก็บอกว่ายูยูกินเขามีเทศการกินเกันนะคะเพราะว่าที่นี่คือเขาจะด่งดังมากเทศการกินเจทีนี้เขาก็ถามโยมว่า แค่กากินเจเขากินกันนอนไหนฉันจะ่านจะกินม้างเพราะฉนเองฉัจะกินบางสวนเวลาแต่เราก็บอกว่าเวลากินเจอะไอภาษาอังกฤษอะเขาเรียกว่าเวกันอยู่ต้องเวกันจริงๆแล้ว่าเฮ้ยฉันรู้จักจะรู้จักเวกันเออเราก็หรือว่ามันจะเป็นวุ่นของเราอ่ะที่ว่าเราสวดมนต์ไหว้พระเราให้เขาเป็นเด็กดีเขาก็เออแต่บทีมันเด็กอะมันก็ยังดื้อมากอะอาจารย์อือ เหมือนกับว่าเขาไม่บอกละหมดอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าเขาเกยไหมเ ข, เขาไม่เกยนะ <Okay. S 1> อืออ่าเยอะแหละนะมีอะไรไหมโยมก็ไม่ลืโยมจะโยมจะมาขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ว่าช่วยเหลือโยมให้โยมมีสมาธิอีกหนึ่งโยมก็มานั่งเมื่อเช้าโยมก็นั่งตั้งจิตตั่งสมาธิแล้วก็นั่งลงได้เลยอื <Okay. S 1> ยอมยมดีมากเลยท <Okay. S 1> ีย่ ไม่ทำเอการิบตต่อไปนะอฏิบาตาริุกวันค่ะไม่ถึงค่ะสาธไปจนเลยให้ร่ำให้รวยรวยไม่ถาดวไม่ดรวยนะขอบคุณค่ะอาจารย์ไม่ไม่ไม่ถุกหวยอันนี้แล้วแต่คนไต่จะวอาสองเสมยันถ่ายหวยถึงสองแสนหวย ส็ร้อเรียนะอาจารย์พราจารย์่าขงแรงนะคะครับาุน่ยใครี่มีมีจามเียนะเร่องการมัสการ์พรอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคำถามอะไรค่ะแค่อยากจะเข้ามากราบพอาจารย์เจ้าค่ะ รอบคุณลือชาอิคสาธุค่ะอาธุครับต่อไปเปนเปอนเอนเากรรสการครับพระอาจารย์มีอะไรไหมเอ่อครับพระอาจารย์พอดีวันนี้เมื่อตอนกลางวันนะครับพอดีว่าได้ตั้งใจว่าจะชวนพี่สาวไปหา พระอาจารย์ที่ไปหายอยู่บ่อยๆแต่ว่าพี่เสาไม่ไม่ได้ต้องการจะไปด้วยก็เลยไม่ได้ไปพบพระอาจารย์ครับวันนี้ก็เลยมาขอพูดรียกบพระอาจารย์หน่อยครับเหมือนตอนนี้ปฏิบัติภาวนาอยู่แล้วเหมือนไม่รู้ว่าตอนนี้มันใช้คำว่าติดได้หรือเปล่าครับพระอาจารย์คือมันอือมันอยู่ในสภาวะที่บอกไม่ถูกเลยครับพระอาจารย์ ได้ยังไงวะหมอไม่ถืาเราจะถมไ่รูเเอ่อเดี๋ยวตั้งสติสักครู่นะครับอาจารย์เหมือนตอนนี้ก็ภาวนาอยู่อืมเอ่อเหมือนเหมือนก็จะเขาเรียกอะไรครับอาจารย์อธิบาย่งต้องขอไปดครับนะเ อ, อ่เหมือนตอนนี้เป็นสภาวะที่เห็นนะครับอาจารย์ ไอเหมือนมันเข้าไปหาจิตผู้รู้หรือเปล่าครับถึงทีนี้พอพอจะสังเกตว่าใจยอับใจมันแยกกันแล้วแนวทางต่อไปนี้พระอาจาย์พอจะแนแนวได้บ้างหรือไม่ครับลองทำได้บ่อยทำได้มากขึ้นทำให้มากขึ้นทขาเริ่มทำมาเขาเริ่มทำมากขึ้นเรื่อยอารมณ์เริ่มดีแล้ตอนนี้เขาเริ่มทำให้ ทำเรื่องมาคือทเรองบ่ไม่นดเข้าใจนะคือห้ไรมประสการณ์เรจะบอกเราเอ ง, อเอาางเะนะพยายามไปเรื่อยๆนะอมเป็นการปฏิบัติไม่เสียหายมันไม่เหมนติยาติดๆติดยาติดๆสมิ่งโมดแต่ติด ก, การปฏิบัติตั่คุณนเนเร่องอย่ามต้องกลัวนะครับ อืมเด็กใครที่เป็นน้องนะท่านชี่วชาครับกลับนมัสมการอาจารย์ครับเปานทำอะไรไหมอ๋อเข้ามากลับน้ำมัสมัชการอาจารย์ครับไมไม่มีคําถามครับผมก็ช่วงนี้ก็ยุ่งเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็พยายามมีติดตามดูแต่เป็นจิตส่งออกนอกครับแต่ว่ามันก็ถ้ามีจังหวะได้พักก็จะ ก็จ ะ, ะนั่งสมาธิอยู่ครับนะทาลาต้องยุ่งถ้าไม่ถ้าไม่ยุ่งก็ไม่ใช่ทาโลกครับใช่ครับก็หาโอกาสคิดว่าต้อง<ป><ป>ต้อง<ป>ต้องเป็นสิของ้าไปครับครับเป็นเ่องๆอยๆอย่าช้ก็แล้วกันครับเป็นวันมี่ไปพับ้างนะพัตามยุ่งก็ัย่สองาวันเอครับนะเดือนนี้นี่ก็ดูตารางแล้วแน่นมากแล้วปีเปิดประเทศแล้วก็ีทั้ง มีคนเข้มาอบรมมีเลคเชอร์อะไรเต็มไปหมดเลยเต็มไหมดแล้วนะครับต้องพยายามหาเวลาครับนะครับไปไปแล้วก็สบสีครับสงบก็จะกลมาทำอะไรเยอะแค่นี้ก็ไมต้องต้องหาโอกาสให้เยอะที่นะครับครับครับที่ทางสายทีาสายทีกลับไปสารคามเนี่ยไม่ยงอยู่ค่ัน กลาวนวัส ก, การพระอาจารย์เจค่ะวันนี้เพิ่งมาขอนแก่นค่ะกลับมาตักสารคามค่ะพระอาจารย์ค่ะก็งานยุ่งเหมือนกันค่ะนี่ค่ะงา น, น, นันนี้ทุกอย่างมาันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วงานเยอะขึ้นงานเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์เลิกงานบางวางันทุ่มหนึ่งสองเป็นกับกับค่ำกับดึกก็มีค่ะบางทีช่วงช่ ว, ชวขงขวบไม่ต้องดีอย่างงานน้อยที่อย่าง แอบคิดถึงช่วงโควิดค่ะไม่ต้องเดินทางได้เวลาเพิ่มเยอเลยค่ะพาอาจารย์ค่ะทนได้กลับไปสอนหนึ่งนั่นเองสอนออนไลน์มหาลัยไม่ให้ค่ะพระอาจารย์แล้วเด็กก็อยากเจออยากเจออาจารย์มันได้บรรยากาศมากกว่าค่ะเด็กเขาได้สอบถามกันอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ค่ะเราได้เจอเด็กได้ถามได้เห็นเขาว่าเขาเข้าใจไม่เข้าใจหรือเปล่าได้ค่ะพระอาจารย์แต่ก็จะยุบ ข, ขึ้นค่ะก็ยังนั่งสมาธินิดหน่อยนั่งน้อยลงค่ะพระอาจารย์แต่แต่เมื่อเมื่อวันก่อนก่อนไปนั่งทานทานก๋วยเตียขข๋ยวค่ะพรอาจารย์แล้วก็อยู่ๆมันก็พอเห็นว่าเอ๊ะเส้นก๋วยเตี๋ยว มันก็เข้าไปในเรามันก็เปลี่ยนไปนะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์พอพอมีอารมณ์นั้นปุ๊บเราเห็นไอติมเรากินไปมันก็ไม่ไม่ค่อยอร่อยแล้วค่ะพระอาจารย์จริงเหมือนกินแป้งกินน้ําตาลความอร่อยมันก็หายหายไปมันก็เออไอติมมันก็เปลี่ยนเป็นเราเนาะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็เห็นภาพนั้นความความอยากอาหารอร่อยอร่อยอะมันก็มันดูลดลงค่ะพระอาจารย์มันก็จะมีแวบเข้ามาพอกินเส้นก๋วยเวเขไปก็ เออเนาะมันอยู่ๆไอตัวเนี้ยมันก็เปลี่ยนกลายเป็นเราได้เนาะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์การเป็นของึป็นพรองเนี้ยเป็นตั น, นใช่ค่ะหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วก็มีวันหนึ่งขับรถไปค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วเราจะเลี้ยวแล้วมันมีคนที่เขาเข้าเลนผิดแล้วเขาก็เลี้ยวมาตัดหน้าแล้วก็ขวางทางเราไว้ให้ทําให้เราไปไม่ได้ค่ะพระอาจารย์เราก็แบบ ไม่โมโหแต่ว่ามันมีคำผุดขึ้นมาว่าอะไรฟ้ามีใช้คําว่าฟ้าได้นะคะอะไรฟ้าทำไมขับแบบนี้แต่ใจมันไม่เต้นเลยนะคะพระอาจารย์แล้วก็จอดรอให้เข้าไปมันก็เห็นว่าเออไม่โกรธนะแต่ว่าเราก็แบบแต่มันก็มีคําที่ผุดขึ้นมาแบบนี้นก็คือยัง<น>ไม่โอเคส<น>ีค่ะคนอู่ทางไม่ได้เป็นคำอู่ทางก็เลยคอ่ท ค่ะอุทานในใจว่าอะไรป่ะทำไมขับอย่างนี้อะไรองเงี้ยค่ะแต่ว่าใจไม่แน่นใจไม่ร้อนก็แล้วกันใจเชยๆค่ะแต่ว่ามันเหมือนมีคําพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะทาไมถึงขับแบบนี้อะไรเฉยๆเงี้ยค่ะอาจารย์แบบนี้ก็ไม่ถึงกับไม่ไม่ไม่ใจไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าจริงๆยังใช้ไม่ได้ใจแบบไม่ไม่ไม่ใช้หายตรงไหนมันไม่ใช้หายอืมค่ะ ค่ะคราวที่แล้วอฟังธรรมพระอาจารย์เข้าซูมเนี่ยค่ะพระอาจารย์นั่งนั่งนั่ ง, งฟังสงบสงบหลับตามันมันวูซ์ได้ค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบลงมาอยู่ทัานหนึ่งได้ค่ะพระอาจารย์แ<ด>บบเหมือนไ ม, ไม่ไม่ค่อยได้ตั้งใจมากฟังไปแล้วก็มันก็เข้าแต่วันไหนที่ตั้งใจมากไม่เข้าค่ะอ่าต้องอยู่ตรงกลางตั้งใจมากทำไมดีไม่ตั้งใจเลยก็ไม่ดีเราค้องอการ ค่ะค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวก็คงต้องหาวันที่จะไปปีกวิเวกบ้างเหมือนกันค่ะพระอาจารย์อแอบมองมองสวั์อิต์สุขสวั์อิต์อยู่ค่ะพระอาจารย์ใื่ค่ะ็นงานปฏิบัติได้มากไม่งั้นคงจะแบบยิ่งถอยมาทางโลกมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ต้องหาทางเข้าไปใหม่ค่ะ อ, อันนี้ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์ค่ะ ที่ท่านตอไปเป็น 2,000 เดืนเป็น2 0 0อยู่ที่ไหนครับกลับมาราชการพระอาจารย์ครับ อ, อยู่จังหวัดขอนแก่นครับอยู่จังหวัดก็เเพิ่งเข้าซูมมาครั้งแรกครับก็เลยจะมากราบรายงานตัวพอดีฟังธรรมะของพระอาจารย์อยู่ประมาณระยะ1หนึ่งเดือนครับ แล้วก็ลองปฏิบัติตามดูก็ปรากฏว่าจิตพัฒนาขึ้นไปเยอะครับมีความสงบนิ่งมากขึ้นแล้วก็เกิดความเป็นอุเบกขาอยู่ประมาณสองวาละครับอาจารย์ครับแต่ว่ามันมันก็อยู่ได้ไม่นานครับมันมันมันก็หลุดมันก็หลุดครับเอาทบ่อยๆมาแล้วจะรังสรรค์ครับแต่พอมันเกิดช่วงหนึ่งคือมันจะอยู่ได้ประมาณสองสามวันนะครับอาจารย์ครับ ทีนี้ทีนี้เนี่ยท้งผมก็เลยลองถือเนสันชิกดูครับโดยกำหนดระยะเวลาก็คื อ, อตั้งแต่ตื่นตีห้าของวันหนึง่งไปกระทั่งถึงตีห้าอีกวันหนึ่งครับก็ยั่สิบสี่ชั่วโมงครับก็ปรากฏว่าทุกขเวทนาเกี่ยวกับร่างกายไม่มีครับอาจารย์ก็จะมะีง่วงนอนอย่างเดียวที่สู้กันหนักมาก ง่วงอย่างมากเลยครับแต่ก็พยายามสู้จนจนจนครบย4ิบสี่ชั่วโมงตามที่ตั้งใจไว้ครับในช่วงย4ิบสี่ชั่วโมงที่ทำเนี่ยปรากฏว่าจิตรวมจริงๆแค่สองครั้งแค่แคป๊บเดียวครับนอกนั้นอยู่กับอยู่กับเวทนาเรื่องความง่วงนอนครับใ <c oughs> มเช้าวระตรงนี้พระอาจารย์พอจะ <c oughs> มีคำแนะนำ <c oughs> อ๋อเดินครับเดินเดินสลับกับเดินอยู่ตลอดครับเดินยืนแล้วก็นั่งครับข้างโน้นก็างกลับไปนั่งครับครับผมก็เอ่อมากับรายงานเพียงเท่านี้ครับเข้ามาในแล้วอาจารย์วป็นแรงที่พยายามมากครับต่อรายงานครับผมสาธครับคุณจุ๊บก็นานกันม กราวนมรส ก, การพระอาจารย์แล้วค่ะนวันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มาร่วมฟังธรรมค่ะไม่มีปัญหาค่ะพระอาจารย์ตอนนี้พยายามมีสติแล้วก็พยายามนั่งสมาธิให้บ่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่มีงานก็เ อ, อพยายามจะนั่งแล้วก็เข้าเข้าสมาธิเจ้าค่ะอืมพยายามเข้าแบบนี้นะนะคะ ก็นั่งได้นานขึ้นเจ้าค่ะพอาจารย์สามสิบนาทีสี่สิบนาทีขึ้นอยู่ค่ะตอนนี้่ค่ะพยายามเียนคุณทุกท่านมน้ำนมามสัครับพอาจารย์วันนี้เกี้ยกล่องขคุณยายมาได้สาเร็จแล้วค่ะใคุณยายยีนช่็ยินชัดไหเชัด ค่ะได้ยินค่ะมีอะไรจะถามแม่พี่ยายยายมามาฟังนะคะมีคำถามไหมพี่ยาถามรอหนึงวันคุณยายไม่มีคําถามครับอาจารย์แล้วโจทย์หนึ่งวันมคำถามก็มีนิดหนึ่งครับอาจารย์มารายงานการบ้านเหมือนเดิมครับแล้วก็ มีคำถามมาสอบถามค่ะบอาจารย์บันบ mm ้านที hmm. mm ่พระอาจารย์ใ hmm. ห mm ้ไปทำที hmm. mm ่ว hmm. mm ่าให้ระลึกพุทโทพุดโทอยู่ต่อเนื่องอะค่ะพระอาจารย์ตอนนี้มันก็พัฒนาขึ้นนะคะพระอาจารย์มันมันไม่มันเวลาเราอุทานมันก็พุทธานุสติค่ะพระอาจารย์มันเราก็แบบ จับโอ้ไม่กอเราเปลี่ยนเป็นโ oh อ้ y ม่บพพูด a แบบอัตโนมัติอะค่ะพอจารย์เพอาฟุโทรอยู่ตลอดอะค่ะพระจารย์แล้วเลยจะถามแล้วคงกระดูกมั้กระดูกทาร์อยู่มงคงกระดูกยังดูอยู่ครับพระจานทร์ยังเปิดเทกบุ๊กอ่านอยู่ทุกวันครับระจานย์นแต่ปัญหาก็คือมันใช้กับคนไม่ได้เออคนไม่มาไม่ทุ่มกระดูกเข อะไรนะคะพระอาจารย์เปนเรเห็นคนมไม่เห็นคนปฏิบัของเราพยายามนึกครับพระอาจารย์แ ต, แต่มันนึกไม่ออกอะค่ะพระอาจารย์จจกาอกรครับพระอาจารย์ตามมีคำถามะะาถามอะไรนะคะมีคำถามทำก็ถามา เอแล้วก็มีคําถามหนึ่งครับพระอาจารย์ก็คือถ้าเวลาที่เราสวดมนต์อย่างเงี้ยครับพระอาจารย์แล้วเรานั่งท่าที่พรบุตรไม่ไหวแล้วเนี่ยครับระอาจารย์เวลาสวดมนต์อย่างเงี้ยเราเปลี่ยนท่านั่งได้ไหมครับหรือว่าต้องทนต่อไปครับอาจารย์ถ้าทนได้ก็มีเรื่องจะได้ถามวท่าได้ถ้าทนไม่ได้มันต้องพยับามพยาามการนัร่งมันจะไม่เลื่งต้นนะ อาผาจไม่ไม่ไชอบนบางเราไปเราไับเป็นต่างๆมันเข้า่อย่างเาเป็นไม่เนมุ่งมันไมยนึ่งอาเรไม่เทยวจะต้องับเป็นทักษิจับเป็ต่างออกาจ่ายแต่ถ้าไม่อยนะรวมต่อไม่ไม่เสร็จไม่ฟังไม่เริดไปเดี๋ยวเาคิดเชาหายเก็บเป็นเราเราเราขายตรงนี้เป็นไง เา เ, าเวลาเาเจ็บทีไหนะเราก็อดทนไปได้ได้ค่ะอาจารย์จะอดทนครับอาจารย์เวลาอนะ่โอเคมีเท่เหรอมีเท่านี้ครับอาจารย์กับรับอาจารย์ครับท่านูมายคนแนะนากุนการกรรักษร่พระอาจารย์วันนี้ไม่มีคาถามค่ะ สบายดีนะสบายดีค่ะสบายคุณสมชายยิน ด, ดีดี <c oughs> กับกับสวัสดีครับท่านอาจารย์อมผมก็ปฏิบัติอจากคุณจากคุณบอยแนะนําบ้างแล้วก็อ่า ท่านพระอาจารย์แนะนำผมก็จำแล้วก็ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากเลยครับก็ยังไม่ยังไม่มีอะไรที่จะที่จะถามท่านนะฮะบอเทีย่งนี้ก็ฟังไม่ได้เด่ก่อนนะครับจะถูกทำให้คป็นภูนคะสุข้ารค ร, ค, ครับพรอาจารย์ครับ ครับผมก็วันนี้มีรัขาปุษาพระอาจารย์เรื่องการพิจนารณาอารมณ์ครับรอาจารย์ครับก็ขออนุญาตแชร์สิ่งที่ผมปฏิบัติมาทั้งอาทิตย์ก่อนนะครับช่วงนี้ผมก็จะฝึกการเดินจงกรมเป็นหลักครับพระอาจารย์เพราะผมรู้สึกว่าเดินแล้วเนี่ยทำให้ใจสงบได้ง่ายกว่าการนั่งสมาธิครับ เวลาเดินผมรู้สึกว่ากายและใจอะ่ะมันจะแยกกันอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นว่าเวลาที่กับเราเรากาลังเดินเรารู้สึกถึงน้ําหนักเท้าซ้ายเท้าขวาที่ลงอย่างเป็นจังหวะนะครับก็คือส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นไปอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นภายในใจก็คืออีกส่วนหนึ่งสามารถที่จะรับรู้อารมณ์รู้แล้วก็อารมณ์คิดได้ครับสามารถดูฐานอารมณ์ที่คิดที่เกิดขึ้นเองนะครับพยายามคงอารมณ์รู้อย่างต่อเนื่องครับรู้แล้วก็กลับมานะครับ จนผมรู้สึกว่ากายมันก็ไม่ใช่ของเราครับอาจารย์มันทางานของมันเองจิตที่มันคิดขึ้นเองมันก็ไม่ใช่ของเราครับพระอาจารย์ก็คอยนั่งดูมันดูอารมณ์ดูมันคิดมันก็ค่อยๆหายไปดูมันค่อยๆเกิดขึ้นเหมือนเราเป็นคนดูใจเราอีกทีหนึ่งครับอาจารย์คําถามคือเราก็ไม่ใช่กายเราก็ไม่ใช่จิตใจแล้วเราเป็นอะไรเหมือนเราเหมือนเรานั่งดูจิตใจเหมือนเราดูลบรมของเราด้วยครับพอาจารย์มันมันมันเป็นสภาวะที่เหมือนเราดูมันแล้ว มันก็เฮ้ยมันมันมันสุกนะอา้าโอเคหายไปแล้วแล้วเราก็เหมือนไม่มีอะไรเลยครับอาจารย์เราเกิดรู้เนี่ยเขารู้ไปแสดงว่าเราก็คือรู้แล้วเราก็รู้เฉยๆรู้แล้วมันดีเราก็จบจบกันแค่นั้นใช่ไหมครับอาจารย์เรารู้ไปเรื่อยๆที่อยากมันจบแต่เราเราก็ต้อ ง, ล ง, ล ง, ลงอรูง้ว่าเวลาไม่จบก็ไม่จบอันนี้แล้วไม่ทำนีเราก็รู้ไปเรื่อยๆครับอาจารย์ครับแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราให้อะไร เ ล, เ, ลเล็กๆแน่น้อยไม่ใช่ว่าอไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทำนะคร<ม>ับเมตตาต่อคนก็รู้สึกว่ามันได้รับความสุขความสุขที่เหมือนเรากําลังขับรถอยู่แล้วมีคนกำลังข้ามถนนเราก็ให้ให้เขามันก็สร้างความสุขแม่ง่ายะคร mm. ับเวลาเราเจอใครที่เขากำลังทุกข์เหมือนเรารู้ว่าเขาทุกข์เราพูดจากพระๆกับเขาอ่ะให้เขาดีใจเขาก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ามาันเป็นการสร้างความสุขได้อย่างง่ายมากะครับผมก็เลยเพยายามสร้างพอเรารู้ว่ามันสงบมันไม่มีอะไรผมก็เลย ผมสามารถทําอะไรที่เป็นกุศลก็คือไปไปหาเขาไปคิดกับเขาว่าได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคใช่ไหมครับอาจารย์แคร์ไมื่นตครับพระอาจารย์ครับตอนนี้ผมก็พยายามจะไปเป็นจิตอาสาครับไปช่วยงานหลวงพ่อลงกดเหมือนกันครับก็เดี๋ยวจะไปที่อุบสกับอุดรด้วยครับพอาจารย์ครับผมครับแล้วก็ครับพระอาจารย์ครับอ่าทีนี้มันจะมีบางช่วงครับพระอาจารย์คือ มันมีสัปดาห์ก่อนที่เหมือพอผมรู้ว่าลมมันเกิดขึ้นเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีเราจะดูอย่างชัดเจนเลยว่ามันจะมีโลภโทสะโมหะซึ่งโมหะก็มันก็ค่อนข้างที่จะบอบางโทสะเราก็ไม่ค่อยที่จะไปซีเรตมันมากแต่ว่าเรื่องของความเป็นคนเวลาเราพบปากผู้คนเนี่ยอันนี้ยอมรับตรงๆว่ามันจะมีความพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของเพศตรงข้ามอยู่ผมก็เลยได้มีการถามคำถามอาจารย์ในรายการหมอกคุณหมอวีครับ อาจารย์ให้ช่วยเรื่องของอาสุพะนะไหมครับผมก็พยายามที่จะดูทะลุทะลวงเข้าไปเป็นโครงกระดูกของคนมากที่สุดนะครับแต่มันผมพยายามแล้วครับแต่มันต้องมีสติมากเลยนะครับที่ว่าเห็นคนเป็นโครงกระดูกเลยผมก็เลยลองใช้อุบายเลยง่ายๆคือเห็นเขาเหมือนเป็นของเน่าเหม็นนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นเพื่อนตรงข้ามเราก็กินมาแล้วแบบเหม็นมาแล้วเน่ามาแล้วก็มันก็ พ, ยายาพอช่วยได้ครับาอาจารย์แต่นี้ถือว่าโอเคไหมครับใช ถ้ามันแบบการมารมได้ครับอาจารย์ครับส่วนการนั่งสมาธิตอนนี้ผมก็นั่งแบบไม่ได้คาดหวังอะไรครับก็คือนั่งดูกายของมันไปเรื่อยนั่งดูอารมของมันไปเรื่อยแล้วก็พยายามคงสภาวะอารมณ์ไปเรื่อยครับก็รู้สึกว่ากายเบาใจเบาได้ในทุกครั้งครับก็ถือว่าสงบได้ในทุกครั้งเหมือนผมก็ได้รับความสุขได้รับความสงบจากการนั่งสมาธิหลังจากการนั่งสมาธิทุกครั้งคับอาจารย์ครับ ทีนี้ก็ถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ถือว่าโอเคใช่ไหมครับอาจารย์ก็มันจะได้สมาธิระดับมันยังไม่ได้ระดับเต็มที่อยากให้มันเต็มที่เราดูลงหายใจเข้าออกครับก็คือดูอย่างเดียวต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมครับอย่างเดียวอย่าไปดูอย่างอื่นครับครับอาจารย์ครับทีนี้อผมก็เลยลองใช้ชีวิต ไปชีวประจำวันนะครับพยายคือไปห้างในเมืองก็รู้สึกว่าโหผมไม่ได้ไปมาปีหนึ่งแล้วรู้สึกว่าที่นํานมันเชี้ทีของเราเลยครับอาจารย์มันดูวุ่นวายมันดูแบบเปลือหนายมากมีแต่ของที่พร้อมให้เราเสพตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบหมดเลยผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อปีหนึ่งที่ผ่านมาผมแบบเ อ, อ่อที่นํานมันเชี้ที่ของเราแล้วตัวกอบผมต้องไปดูหนังไปซื้อของไปรานข้าว้านอาหารตอนนี้คือไปแล้วไม่ไหวเลยครับเหนื่อยมากก็เลยรู้สึกว่าเปื่อหนายโลกมากเลยครับอาจารย์ต้องไปยาวจะวิเวก <ๆ S 2> อยู่ครับตอนนี้ ใช่แล้วอาจารยมีในเรืูปแข็งหยุดได้ของเราไ้อยอะไปเยอะครับครับอาจารย์ครับก็ครับก็พยายามอยู่กับเนื้อกับตัวให้มากที่สุดครับอาจารย์ฟังอาจารย์ประจํารย์ครับครับประมาณนี้ต่อไปต่อไปจะไปดูก็ได้ต่อเดือนอย่างก็ได้ดูครับพยายามคือผมพยายามอยากจะละเหมือนกันครับแต่ว่าปรึกษากับพี่ๆที่ผู้รู้เขาบอกว่าเราอย่าลืมเหตุที่ทําให้เราเป็นเราในวันเนี้ยครับ ก็ยังมีก็กล่าว่าถ้าพ่อแม่หรือคนที่เรารัดเอโอเคแล้วก็จะหาเวลาไปบวดครับป้าจันสมองเรื่องการไปบวยก็ไม่ได้เป็นการช่วยพ่อแม่หรือการไปลาวช่วงขาวไปเรียนหนังสือเยอะจบว่าแล้วคำช่วยพ่อแม่ตอบได้ก็เลยจนได้เวลาไปเรียนบงฟรีเนี้ยครับอาจารย์ครับก็คือความพิแรกที่ผมมาทํามาเพราะว่า ผมอยากจะเป็นตัวอย่างให้ครอบครัวรู้ไอ้ผมมาทางนี้ผมดีขึ้นในหลายอย่างแต่ตอนนี้เหมือนเราเองก็ไปไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใจเขาได้นะครับเราก็ทําแค่แต่ตัวเราให้เราดีขึ้นคนเดียวก็พอครับถ้าเขามีบุญวาสนาเห็นเราดีเขาก็อาจจะมาเข้าใจเราเองครับไปบังครับอาจารย์ครับครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ครับดีใจด้วยทำต่อไปนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ คุณท่านครับพอที่จะอันนี้อยู่รอดเดียวเดียวได้นะ <c oughs> ก็ก็ไม่เชิงครับพอดีคุณปาก็มีติดสายโทรศัพท์กนะ็เลยยังไม่ได้เข้ามาครับแต่วันนี้ก็ไม่ได้มีคำถามอะไรครับอาจารย์ก็มากราบอาจารย์ตามปกติเลยครับแล้วก็มาฟังคำตอนะบไปที่ท่านตอบไปเลยนะทันนีกราบขอบคุณครับสันมีแบงคอคบ กาะนมักการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์ฟังว่าเขาแจแล้วนะไม่มีคำถามแล้นะค่ะดรพัฒน์ดรพัฒได้ยินไหมนักพูดหรือปเปล่าพูด้เละอาจารย์่พระจารย์ออนุญาค่ะ กลับนมัสการเจ้าค่ะคุณอาจารายว์วันนี้ก็ไม่มีคําถามเจ้าค่ะก็ปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยๆแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าปล่อยวางการยึดติดในหลายๆเรื่องอยู่เจ้าค่ะแล้วปล่อยได้ไหมปล่อยได้บางไม่ได้บางเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> บางทีก็ไปเอาอาดีตมาว่าบางทีก็ไปจังหวะอนาคตนิดหนึ่งแต่ก็พยายามดึงกลับมาที่ลมหายใจแล้วก็ ให้ให้สติมันมาอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะขาไปเลขาต้องพยายามทำมืเด็ขาเงี้ยนั่งสมาธิให้ได้จค่ะหนูนั่งสมาธิแล้วก็ปวดขาปวดเท้าแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็จะหายไปแล้วก็บางคืนนะเจ้าค่ะพอหนูก็บางวัร่างกายหนูไม่ไม่สังขารหนูก็ไม่ไม่ค่อยสมเต็มที่ใช่ไหมคะค่ะหนูก็สวดมนต์แล้วก็นอนบางทีก็ตื่นขึ้นมาตีสาม ก็มันนอนไม่หลับหนูก็เลยกขึ้นนั่งสมาธิแล้วก็ก็หลับไปเจ้าค่ะค่ะ ถ, ถ้าไม่นอนก็ถ้ามันไม่หลับความนนรู้ ม, มนัมนั่สมาธิไปมีแล้วเจ้าค่ะอยากเป็นอยากให้มันหลับนี่อยากให้มันหลับมันี่ไม่หลับเจ้าค่ะสมาธิไปแต่ฟังอย่างนั้นนู้ น, ม, นมันก็อยากจะไปนอนหนึ่งใช่ไหม ใช่ใช่จ้ค่ะใช่พอภาวนานั่งสมาธิสักครั้งมันง่วงเลยเจ้าค่ะอาจารย์ใจสงบละพอเจ็บแล้วจะบอกว่าไม่อยากจะนอนเจ้าค่ะเดี๋ยวก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูอยากจะตั้งภาวนาตนเจ้าค่ะถ้าที่วัดพระอาจารย์ค่ะสิ่งใดอะไรก็หนูก็อยากภาวนาตนนะเจ้าค่ะนอนนอนนอนพัฒนาสาสุร์่ะ อ่ะค่ะสาธเจค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะป้าจานค่ะเป็น g l a x e 5เน mm hmm. Galaxy n o ้ e 5อยู่ที่ไหนครับผมสวัสดีครับพ้าจานอยู่ที่สมุทรปราการครับเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาครับป้าจานยังใช้ Note 5อยู่นะ n น t e 5อยู่ครับป้าจารยังใช้ได้ดีขนาดนี้นะั้ไอ้ดีอยู่ฮะป้าจาน ใช้เปลี่ย น, นท่านมันเกือบสิบปีแล้วเนี่ยใช่ใช่พี่อาจารย์มันรดกตกท่อจากแฟนฮะอ๋อดีมากแฟนเขาใช้อีกรุ่นหนึ่งก็ซื้อเขาอยากได้อันใหม่ก็ให้เขาไปฮะพระอาจารย์ผมก็มัรดกตกท่อมาผมก็ใช้ต่อเห็น แ, แล้วมันใช้ได้ก็เลยใช้ปกติฮะชอบเผมชอบจริงโปรแกรมต่างๆโปรแกรมต่างๆก็เริม่มเล่นไ ด, ได้ใช่ไหมได้ฮะพระอาจารย์เพิ่งมีอัปเดตไปเมื่อสัก อาทิตย์ที่แล้วนี่ฮะพ่ออาจารย์มีอัพเดตใหม่ให้ไปดูครับ<อ>มีมดาวง์เรยไหมมีเลยฮรพรออาจารย์ปรเปิญเป็นครั้งแรกดีใจมากฮะที่ได้เข้าม า, าสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ตอนนี้ก็คือฝึกกับอาจารย์หลายๆท่านอยู่สักประมาณสองสามท่านแต่คือจริงๆอ่ะเข้าโครงการเดินจิต ของพระอาจารย์วัโพุท์อยู่ท่านมีโครงการทำบ้านให้เป็นวัดนะฮะช่วงโควิดพอดีผมก็เลยคล้คลายๆเหมือนว่าผมตั้งป็นนิทานตัวเองเอาไว้ว่าผมไม่ชอบที่จะไปวัดที่จ ะ, ะมีการคู้คนเยอะๆ อ, อ่ะฮะพระอาจารย์มันก็เลยตรงจริตพอดีพอดีมีโครงการเนี้ยผมก็เลยเข้ามา ก็เลยถ้าอยู่ที่บ้านถ้าปฏิบัติที่บ้านได้ก็ดีที่สุดไม่ต้องเรียนอาจรันแล้บ้างถับพระอาจารย์และทีเนี้ยก็คือนะตอนเนี้ยที่รู้สึกก็คือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมแล้วเมื่อช่วงที่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ที่พยายามส่งคำถาม เพื่อที่จะสอบถามค่ะพระอาจารย์มันมีสภาวะนึงเกิดขึ้นนะฮะพระอาจารย์มันเป็นเอ่อเหมือนดอกโบบานแล้วก็บานในจิตนะฮะพระอาจารย์แล้วก็สักพักหนึ่งมันก็กลายเป็นดอกมะลินะตอนนี้คือมันมีแต่เอ่อคล้ายๆเหมือนแสงสว่างนะฮะพระอาจารย์ล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยก็คือเหมือนมีเป็นเป็นแสงเป็นเกลียวแล้วก็ หมุนวนอยู่แล้วก็หลุดนะฮะพระอาจารย์มันมันคือสภาวะอะไรฮะมันเป็นภาพหรอันนไม่สนใจอ๋อใช่ไหมพระอาจารย์พิจารณาว่ามันเป็นตายรักไปเป็นอนิจจามัน่เที่ยมมันเป็นวิมุตติใช่ไหมฮะพระอาจารย์ไม่ไม่เป็นนะมันเป็นคภาพอหอคภาพเป็นายภากาย มันมีคลราวาสอีกท่านหนึ่งที่ผมเอ่าติดตามอยู่ท่านสอนเกี่ยวกับวิมุตติอ่ะฮะพระอาจารย์ไม่รูว่าไม่มุตติไม่ไม่มีทุกข์ในใจสุดทนจากความผิดใช่แล้วมีทุกข์ท่านท่านสอนบอกว่าเป็นการบายพาสจิตนะฮะพระอาจารย์อ่าไม่รู้เราไม่ได้ศึกษาทางนั้นด้วยเอผมก็ตองไปถามเขาทำไมครับผมผมผมกำลังจะถามว่าคือเอ่อมันมันเป็นคล้ายๆอ่ายังอยู่ใน ในทางที่ที่เอ่อถูกในการปฏิบัติหรือเปล่าพระอาจารย์มันจะไใ่ดูภาพร้อนตอนนี้หลือไม่ถูกอ่าไม่ไม่ฮะพระอาจารย์หมายถึงว่าฝึกรู้กายรู้จิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาประยุกต์ของพรอาจารย์หลายท่านมันเนาะมันปฏิบัติแบบเป็นแบบมวยวาดอยู่มันไม่เป็นอ๋อยังใช่ไหมฮะพระอาจารย์มันมันมันปฏิบัติแบบสเปซปะข้อผิดขอถูกต้องมันต้องทําตามขั้นตอน ขั้นแรกฝึกสติก่อนฝ <พอ S 1> ึกสติ <พอ S 1> ให้ใจหยุไม่ให้คิดอะไรต่อใช้คำบริกรรมพุโทโธหรือใช้เท่าการยืการเคลื่อ น, นไหวต่างๆของร่างกายท่านจะตื่นจนหลับฝึกสติให้ได้ก่อนแล้วก็ได้สมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิของเราจะค่อยไปดูกายแล้วค่ดูจิตแลาวก็ดูเวทนา ดูเพื่อดูเพิ่อจะได้ไม่เป็นทุกข์กับร่างกายไม่ไปทุกข์กับเนือนาไม่ไปทุกข์กับจิตไม่เกิดขั้นตอนจาตรติดตัตอนนี้คือนั่งนั่งสนทนาธรรมกับพระ อ, อาจารย์อยู่รู้สึกว่าอขาเป็นเน็บชาอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้อะไรก็ปล่อยก็ปล่อยอยู่อตอนนี้ฮะอก็ไม่ทุกข์กับมานก็ใช้ได้ไม่ไม่ทุกข์ฮะเฉยๆฮะเฉยๆก็เฉยครับผมตอนนี้ให้มันเฉยร่างกายเป็นอะไรก็เฉย ต่างกายแข็งจะขาดขาจะขยับห ม, ม, มจะเหนียวตาจะบอดก็เฉยไม่ไปทุกข์<อ>กันตอนนี้ก็คืออรู้สึกว่าสงสัยจากกามอ่าพระอาจารย์คือไม่ได้ไม่ได้งแต่งไม่ได้อะไรนะฮะคือว่างมารู้สึกน่าจะไม่มีคือบอกมีสัมผัสหูเอ้ยสัมผัสตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกไหมคือน้อยมากอ่ะพระอาจารย์ก็อย่าให้มันทุกข์กับการสัมผัสต่างๆ ไม่ไม่เป็นทุกข์กับรูปเสียงกินแล้วที่เราไสัมผัสได้เพ่ด้ว ย, วยไม่ยินดีน ไ, มไม่ร้ายเฉเชยรู้ไหมไม่ได้ยินเสียงครับผมพระอาจารย์ได้ยินไหมฮะได้ยินอโอเคครับพระอาจารย์พระอาจารย์ตบกุนรบกวนถามอีกหน่อยนึงครพระอาจารย์ปกติเนี่ย ตามรูปแบบน่ผมไม่ค่อยได้ฝึกเต็มรูปแบบสักเท่าไหร่แต่ว่ากิจประจำวันอนะ่ะผมฝึกรู้จิตรู้กายอย่างเงี้ยการฝึกเต็มรูปแบบกับการรู้จิตรู้ใจในกิจวัตรประจำวันเฉยทางไหนจะจ ะ, จ ะ, ะไปเดินจิตได้เร็วกว่ากั น, นครับพระอาจารย์ก็ต้องไปตามรูปแบบเรา ถึงแม้จะท้าหน่อยแ ม, มันมันมั่นคงกว่าอันนี้มันปฏิบัติได้ข้ามขั้นตอนรู้จิตดูใจ น, นี่มันขั้นสุดท้ายแนละ้วเวลาการปฏิบัติ อ, อ, อ๋อจะมีปัญหาอะไรในการปฏิบัติไมหมฮะพาอ่อจันทร์เพราะว่าเวลาการอะไรเกิดขึ้นม า, นาก็จะแก้ปัญหาเรื่องการง่ายเวลาเกิดปัญหาทางวิชาการง่ายๆนะครับ พอเราไปข้ามข้ามข้อสอบสองข้อแรกไปไปทำข้อสอบข้อที่สามเลยเอ่าไม่ไม่ไม่ควรจะปฏิบัติข้ามขั้นใช่ไหมครัพระอาจารย์ใช่ควรจะไปฝึแกแต่ข้าให้เหมืฝึกสติดให้ง่าก่อนอืมให้จิตตั้งมั่นก่อนใช่ไหมพระอาจารย์ใ่าถึงว่าด้วจิตให้จิตสร้างสมาธิรวมเป็นสมาธิให้จิตนิ่งสาบว่างเย็นสบายจะเป็นยคาสก อ่าฮะแล้วฝึกรู้กายแล้วฝึกรู้เนาแล้วก็แล้ก็ฝึกจิตทีขมีควาชุ้อือดูเพื่อปล่อยวางดูเพื่อปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาแล้วก็ปล่อยวางจิตการบำบัดครับผมพระอาจารย์อาจารย์ยังเข้าใจแล้ะฮะพระอาจารย์แต่ถ้าจะปฏิบัติอย่างที่คุณปฏิบัติก็ไม่ห้ามนะเราไม่เราไม่ผิดวิคติสิทธิแต่ถามมาว่าต่อไ เหมือนปรมาณครับผมเหมือนประมาณว่าเป็นปัจจตังอ่ะพระอาจารย์ผมรู้สึกอย่างนั้นอ่ะคือในจิตถ้ามันปัจจตังแบบจิตเวลาเหตุการณ์มัเฉยๆเหตุการณ์ไม่รุนแรงมันก็ปัจจตังได้พอันเจอปัจจัยเหตุการณ์รุงแรงปัจจัยปัจจตังได้ป่ะได้มั่งไม่ได้มากคระพระอาจารย์ได้เลยเพราะมันไม่มีกําลังหรือไม่มีฐานฐานี่ทําให้มันมันไม่มีสติสมาธิพอมันก็มันจะ มันไม่ปัจจดตามมาในเวลาเจอเหตุ ก, การณ์แรงเข้าเคยเคยเจอในลักษณะที่ว่าขับรถเร็วอ่ะพระอาจารย์สักประมาณร้อยถึงร้อยี่สิบแล้วทีเนี้ยมีคนปาดหน้าแต่เรารู้สึกอ่ะเป็นภาพ slow motion <lee. S 2> มันคือมันมันใช่ไหมครับพระอาจาร <c oughs> ย์ <c oughs> ถึงว่าการีใจเรารู้สึกยังไงต่ อ, <ว>ตอมันแต่เราวื็นเต้นตกใจแล้วเราเฉย เฉยๆฮะพระอาจารย์ ừ, แล้วก็ตั้งสติแล้วก็แก้ไขมันก็ผ่านมาได้ปกติไม่มีอะไรไม่ไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ใดๆจังสิ่เนี่ยก็ดีกาลองทํำนี้ไปก็ได้ต่อไปนาเป็นตําเลนยงไม่เป็นโรคหัวใจแล้วก็ดีที่ว่ามันเฉยได้ตอนนี้ก็เป็นอยู่ฮะพระอาจารย์อก็ได้มันเฉยกับทุกอย่างให้ได้ก็รับฟังครับผมตอนนี้ก็เฉย <c oughs> นนเมีมีอยู่เอ่อหลายโรคอยู่ฮะพระอาจารย์อก็คือหัวใจรั่ว ก็ดูไปเรื่อยๆชีวิตชีวิตมันมีข้าวสาบเยอะแยะทั้งหมดใชน้องมันต้องมันต้องผ่านทุกอย่างให้ได้ก็แล้วกันใช่พระอาจารย์เราไปเราไปอยู่ที่เปี่ยวๆน้ากลัวดูันเดียวมากประดานอดข้าวสาบมันดูมากประดานมีแต่ตังค์อยู่ตอนตอนนี้คือข้าวได้สักประมาณวันละสองมื้ออยู่พระอาจารย์แล้วก็หน้าเทศกาลเนี่ยก็ทานเจฝึกการอยู่ฮะ ออนมือนม่อกินเมื่ออ่อนวั น, ออ น, ว, น, ออนวันเว้ น, ออนวันอ่อยังยังไม่ได้ฮะพระอาจารย์เคอยงองแล้ว ย, ยังไม่เป็นสัตว์กตังนั่นอครับผมพระอาจารย์ระเรามเราจะหลอกตัวเราเองนะเพราะเราเราทดสอบข้อสอบแบบให้ง่ายเข้าโอเคนะครับผมเราไม่ทดสอบข้อสอบที่มันยากเราเพไม่เน้อง่อจากผ่านที่ไม่ผนอืมนี่แหละฮะพระอาจารย์ที่ผมที่ผมพยายามที่จะ เป็นครั้งแรกที่เข้ามาเนี่ยแหละฮะซึ่งติดตั้งโปรแกรมซูมนู่นนั่นนี่เป็นครั้งแรกเนี่ยแหละฮะพอจะเข้าใจไหมคุณคุณเข้าใจเข้าใจฮะพระอาจารย์สว่างเลยฮะตอนเนี้ยครับผมประกานนี้ก่อนนะครับครับผพระอาจารย์นามน้ำมการครับพระอาจารย์ขุนปราว่ารายเชินน้ำมือศรีราชาจากน้ำมศการเจ้าขาไม่มีคําถามเจ้าค่ะ คุณโ า, ศารศัตท์ต่อคุณโ า, ศารศัตท์อยู่ที่ไหนบา้บ า, บ า, นานไม่บ่อนนักนักมาการ์จันครับอยู่อยู่วจิเนีครับตอนนี้นนตอนนี้ตอนเช้าก็ฟังด้วยทำงานด้วยขอโทษครับนน <laughs> ไมาได้ก็รประมาณเ0็ดโมนัม้นนนี้เจ็ดโมง่าอ่าสิบโมงครึ่งครับก็ ใครจากตีซีประมาณ15นาทีครับอเอล็กซานเดอรครั บ, ว, รบ ว, วันนี้ครั้งนี้ครั้งที่สองเข้ามาแต่ว่าได้รับฟังอาจารย์ตลอดครับมีคำถามไหมวันนี้ไม่มีแต่ว่าเร่มเริ่มใจมากที่ว่าเห็นทุกๆคนเข้ามาแล้วก็ ในนั่งสมาธิหมดทุกคนก็ดีใจด้วยครับนะทุกถ้าไม่มีอะไรน่าขออะไรที่ท่านต่อไปเลยนะเขียคุณชนนิสานิสาอยู่ว่าป่าไม่มีเท่าไหร่กราบในมาสรการท้าอาจารย์ค่ะอ่ามีาอะไรไหมปัณณิมากราบ พระอาจารย์ใจเฉยๆค่ะไม่ได้เข้ามา2วีค่ะอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมอยู่ญี่ปุ่นค่ะอยู่ญี่ปุ่นค่ะไม่มีคำถามเลยนะวันนี้ไม่มีค่ะพระอาจารย์ลาค่ะเห็นไปที่คุณมาลีต่างมาลีขอทำรบวิชาการค่ะก่ามหลงพ่อค่ะหลวงพ่อได้ยินหนูไหมคะได้ยินชัดเจนอ่ข้างในคุณได้ ค่ะพราะหนูก็ยังปฏิบัติทุกวันนะคะของพ่อแต่ทีเนี้ยมันตอนที่ตอนเดิมอ่ะคือหนูก็ปฏิบัติแบบนึกพุโทโธอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมันพอมันจะสงบอะไรเงี้ยพุโทโธมันก็จะหายไปเป็นปกติแล้วเราก็อยู่กลับลงไปเรื่อยๆอย่างเนี้นะคะ mm ่ะ hmm. แล้วแล้วพอหลังจากที่เราออกมาแล้วเนะะี่ยค่ะกายเป็นว่าตอนเนี้ย พอเรานั่งเรานึกหรือเราทํางานอะไรเงี้ยค่ะมันจิตเนี่ยมันจะนึกนึกแต่ว่าเออเราตอนเนี้ยเราจะรู้สึกแต่ว่าเออเราหายใจเข้านะเราหายใจออกอยู่อยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยอค่ะก็มันมันเหมือนมันมันติดเครื่องอยู่ตลอดเวลามันมันปุบหรือมันติดแล้วอะไรก็หมายถึงว่าเราเราจะมีเขาเรียกว่ามัน แทนที่จะนึกพูดโทตอนนี้มันกลายเป็นเรารู้ ร, ร, ออ ร, รู้สึกตัวอยู่กับลมเราตลอดอย่างเนี้นะคะได้ได้ไม่ตงพูดโทก็ได้ถ้าเนการรู้สึกตัวอยู่ครับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับามอยู่กับร่างกายนะค่ะแล้วแล้วมันมันเป็นไปได้ไหมคะว่าเหมือนสติเรากําลังวิ่งตามจิตอยู่อย่างนี้ค่ะหลวงพ่อคือมันมันจะเร็วมันจะเร็วมากเลยอะค่ะมันก็ ตอนนี้เราก็พยายามที่จะควบคุจิตนะครถ้าเราหยุดมันได้ก็เราก็ทันมันถ้าเราเนี่ยหยุดมันไม่ได้ก็เนยต้องไล่ตามหมายถึงสติต้องไล่ตามใช่ไหมคะหลวงพ่อเออไม่ได้ไล่ตามจิตด้วยการดูจิตไม่ได้ไล่ตามจิตด้วยการดูลมนั่นยอยู่กับลมใช่ค่ะหลวงพ่อก็คือพยายามเกาะอยู่กับลมตลอดอย่างเนี้ค่ะพอมันมันถือว่ามั น, ม, นมันถูกใช่ไหมคะหลวงพ่อ ใช่ใช่ก่อติดกัะลมเราถูกไหม่ะเนื่องจากกอติดกับการเคลื่อนไหวในจากของร่างกายค่ะหลวงพ่อช่วงช่วงตอนที่มันรวมอะค่ะหลวงพ่อมันเหมือนมันดึงแล้วมันมันรวมกันอยู่ตรงกลางอกอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็จะสงบสงบไปแล้วมันก็นั่งนั่งนั่งแบบว่านั่งได้รู้สึกว่ามันดีอ่ะค่ะหลวงพ่อแล้วความเจ็บปวดอะไรมันมันไม่มีอะมันอยู่ได้อะ Oh. แค่จิตมันเบาจิตมันเยน็นจิตมันสบายค่ะหลวงพ่อก็ก็คือคือรู้สึกว่ามันมันแตกแตกกว่าเดิมเนละี้ยคือเหมือนเหมือนมันติดติดเครื่องอยู่ตลอดเวลายอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อใช่แล้วสติมันริ่มมันมันมันได้ด้วยตัวมันเองแล้วเราไม่เราไม่ต้องไปผักมันไม่ต้องคอยไขลานค่ะแล้วแล้วหนูเแล้วควรถามหลวงเพราะว่าไอ้สติตรงเนี้ยกับ มันเอามาใช้ในในปัจจุบันของเราเนี่ยใช้ตอนนั่งสมาธิด้วยน้อนั่งสมาธิอยู่นั่งหลับตาดูลมไปัในปัจจุบันก็ให้รูทันกับเหตุการณ์ ต, ต่างๆที่เกิดขึ้นต้องทําอะไรอยู่ใจไม่ลาไปอยู่ถ้าช่วงเราทํางานเราคิดมันก็ไปอยู่กับงานใช่ไหมคะหลวงพ่ อ, อแต่ถ้าถ้าเราไม่ได้ใช้ความคิดอะไรมากมัน คือมันจะมันจะขึ้นมาเลยอ่ะค่ะหลวงพ่อว่าตอนนี้กําลังรู้สึกว่าอย่างเมื่อกี้หนูนั่งฟังหลวงพ่อสัมนากับท่านอื่นอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมาอยู่ในจิตตลอดเวลาเลยว่ารู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเออเนี่ยหายใจเข้านะหายใจออกนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยค่ะช่วงตอนเนี้ยค่ะหลวงพ่อเนือ ย, อยู่กับการฟังก็ได้ข้าพาก็ลองอยู่กับการฟังค่ะก็นน ป, ปฏิบัติ อยู่ค่ะหลวงพอ่อคือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ใจรันคิดตูดแต่คือหนูหนูจะไม่คิดเลยพอพอจะแว็บเนี่ยมันจะมันจะเด้งกลับมาที่ที่ความรู้สึกตรงนี้เลยอค่ะหลวงพอ่อให้มันหยุดความคิดตูดแตกอี่ยปล่อยให้มันคิดตูดแตกเลยค่ะหลวงพอ่อให้รู้เฉยเฉยค่ะ วันวันนี้หนูรายงานหลวงพ่อประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อโอเคดีมากปฏิบัติต่อไปนะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อสาธุค่ะนะครับทุกท่านพี่คนนี้เหอคนนี้แจ่มพัทยาเอ่อพูดได้เลยวันนี้ได้ได้ไอยู่เขียงเราพูดเลยอรายัง ไ, ไม่เปิดไมเลนยังไม่เปิด ไยินหมคะพระอาจารย์ได้ยินแล้วคะพระอาจารย์ะเอ่อมารายงานค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าจิตมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราอาจจะอยู่กับเออก็มพระอาจารย์รู้กับสันที่กำลังป่วยแล้วก็คนแก่คือมันจะเป็นกังวลนะคะพระอาจารย์ก็พยายามแบบคิดพุทโธพุทโธเวลา เวลาที่เราทํางานหรือเราได้เห็นได้เราได้ยินอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันเกี่ยวกับว่าเราไม่มีสติไหมคะพระอาจารย์ใช่เราเราไปอินกับสิ่งที่เราเห็นเราเราไม่ไดูเฉยเเราไปดูแล้วก็เกิดอารมณ์รักชังขนมีดนรายหมดเราต้องดูแบบเฉยเฉไม่ต้องมีมีร้กับสิ่งที่เราดูมันเหมือนกับว่ามีมีอารมณ์ที่แบบ เออทรงสามนี่คือเรืรมันมันเยินดีเย็นได้มันเครื่องหนึ่งก็ยินดีเครื่องก็เยินรด้สลับกงนไปสลับกันมาค่ะแต่ก็ก็รับรู้ได้อะะปิดไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรใช้ปัญญาบอกว่ามันเป็นธนัตตามเป็นอย่างนี้น่ะมันธรรมชาติควาชีวิตมันมีนกรกเจาจุตาเป็นธรรมดาค่ ะ, ะ, ะพระอาจารย์ ก็เหมือนวันนี้เมื่อตอนเย็นๆก็ยังรู้สึกว่าพอรู้ว่าเอา้าหมาเหมือนชูคอกินไม่ได้ก็รีบกระบีกระบ้าไปไปหาซื้ อ, อมาให้เขาเขาทานอะไรอย่างเงี้ยเขากินแล้วก็เป็นห่วงเหมือนเขาร้องเมื่อกี้เราก็วิ่งลงไปไปดูว่าเออเป็นอะไรยังไงรูปปะเหา่าก็ไปเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรแล้วก็คือรด้วิ่งขึ้นมามันเหมือนกับว่าอ๋ออันนี้เราไป ไปพวงไปกังวลไป เ, ออเหมือนกับคนยังแบบยังตัดไม่ได้หรือว่าเป็นอารมณ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะาาพร ะ, ะาอาจารย์มัมนเพิ่ความผูกันอูกพันจากักรวาตอนนี้มันเรต้องผูยมันกเลยคอยกังวลคอยแบามธรรมชาติของความผูกพันเราต้องตัดความผุกพานมาก เกิดมาแล้ววันนี้ก็ต้องมีการพากเพาะจากการเนธรรมเนียค่ะผูจัดอ่าอา่ที่แแล้วก็ทีนี้เนี่ยช่วงนี้นะคะคือที่จริงก็นานละคือไม่ไม่ค่อยกับใส่ใจกับเรื่องอาหารการกินมากสักเท่าไหร่คือตัวเองนะคะพ่อกับแม่เขากินบางทีเหลือหรืออะไรเนี่ยเราก็กินได้แต่ก่อนเนี่ยก็คือจะหาอาหารอร่อยๆออมาทานแต่ตอนนี้ พอได้ฟังอ่าจากผ้าจารย์บอกว่ากินเพื่อเลี้ยงร่างกายแต่เราก็ต้องกินอาหารที่ที่ดีด้วยอะค่ะก็เลยแบบว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายกินอะไรก็ได้ที่พอแบบว่าให้เราเราเรามีกับกําลังวังชาอันนี้เป็นเป็นในเรื่องของการตัดไหมคะผ้ า, าจารย์หรือว่ายัาง ไ, คไงคะใช่เป็นแบบน้อยสันเดีกินด้วยเหตุด้วยขอกินเพื่อเลี้ยงอยู่ร่า ง, งากายไม่ให้มันเจ็บไข้แน่ ให้มันแข็งมา ไ, มได้ไม่ได้กินเพื่อรสชาติเพราะทำมาเลยอร่อยเพราความสุขจด ก, การขาีาผ่าจานอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะตัดได้คือเวลาแม่เขาทําอาหารคือไม่มีรสชาติจริงๆคร่ะผ่าจานเพราะว่าแก่คนแข็เนาะมันจืดมากหรืออะไรมากแต่ก่อนกินไม่ได้แต่ตอนนี้มไม่ได้นั่งใขวใจละก็ให้แบบว่ามีอะไรตกถึงท้อง ว่าอาหารที่ที่ท่านทําก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะพรอาจารย์การกินมันเป็นยาสิยาอืมค่ะอันนี้ก็หมายถึงว่าเราเราเริ่มเริ่มตัดแล้วเราก็เริ่มเข้าใจได้แล้วใช่ไหมครับพระอาจารย์ได้ในเรื่องของการกินเรามีหลายเรื่องที่เราต้องสอบไปเรื่อยเรื่อยศึกษาไปเรื่อย<า>เรื่อยในเรื่องการกินก็คือเราไม่ชู้จี้ตุกขิจไม่วุ่นวายกับการกินมีอะไรก็คิดไป มันจบจบไปดับความหิวอ่พาความหิวชินช่วยดับความหิวนั้นเองเขาไม่หิวแล้วก็จบสังขาไม่มีที่ความหิวนะค่ะอ า, าจารย์เอานี้อันนี้พอค่ะทําได้ล้วแต่เพียงงค่ดว่าเออ่เราไม่เห็นในเรื่องของของสังขารเห็นในความผูกพันเนี่ยค่ะเหมือนที่อาจารย์พูด ก, ก็เลยต้องท้อใจเรามาเป็นแบบนี้อีกก็เต้องต้องคอยสอนใจว่า ทุกคนไม่ว่าเป็นสัตว์หรือมนุษย์ทุกคนนั้นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายส้องมีการท้าทายกันทังนั้ น, นอ่าแล้วก็ได้ไปฟังธรรมะของพายจาม ก, ก็มานั่งคิดถึงว่าถ้าเราถึกคิดถึงว่าเกิดแก่เจ็บตายได้อันเนี้เป็นอะไรเป็นเรื่องที่หนักมากถ้าทําได้ก็เรื่ลิกก็สองได้แล้วไม่จะทำให้เราเฉยกับเหตุการณ์ต่างได้ค่ะอ๋ะออันนี้ก็ยังเป็นในเรื่องของสติที่เราจะต้องฝึก อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์อ่าอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาในการตัดสินใจให้ถความจริงตัดจรทำของชีวิตการชีวิตมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาไม่ไม่เว้นใครเท่านั้นค่ะอาจารย์ค่ะก็ก็มีเรื่องอ่าที่จะถามอาจารย์เท่านี้แลค่ะจะได้ฝึกต่อไปค่ะเพราะอาจารย์ต่อไปมาว่าเนี่ยต่อไปส่วตัวนี้ที่เรารักขึ้นูแลมันทวันเนี่ยก็ต้อง ตายจากรหรือล่าจะตายก่อนมันก็ได้ไม่มีใครรู้ได้าจารย์คิดอย่างนี้นมันจะได้เบาเบาอกเบาใจตลงได้นะอ่าบางทีมันลืมแมันก็จะอยู่กันไปเรื่อยๆมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกค่ะอาจารย์นะครับอาจารคุณหมอคุณประค่ะขอบคอาจารย์ ย้อนกลับไปเป็นคพืเซิร์ฟโลกแล้วเหรอกลับมาแล้วครับอาจารย์ครับเอประโยคที่สองคืนครับอาจารย์ครับกลับมาแก้รับอาจารย์ครับผมก็วันนี้เข้ามาตั้งแต่ประกาศอาจารย์เฉยๆครับไม่ได้มีคำถามใช่เลยนะปฏิบัติอยู่นะปฏัตทุกวันครับอาจารย์ครับงานหนาที่ไม่ร่อยมากๆผมเพราะตอนนี้ประมาณเวลาชั่วโมงตอนเช้าทุกวันครับอาจารย์ครับแล้วก็ตอนเดินไปไหนมาไหนก็เขรู้ตัวอยู่ครับผมได้ ไ ม, ไ, มไม่เอาช่วงไม่เอาช่วงกลางวันบ้าลงเนช่วงกลางชงที่ว่าก็ลองนั่งดูบ้างก็ได้ครับครัอาจารย์ช่วงช่วงช่วงของการนั่ง้มากขึ้นดูครับนะครับเพนั้นเห็ น, น, น, นหว่าจิาตมันสงบมากข้นเดี๋ยวผมจะปฏิบัติตามกันเจริญสติมันสู้มันสื้อด้อสมาธิไม่ได้สติ่ได้ครัมอกในระดับแรก เขอยัให้สดงบอกมากเหมือนกัน่นคครับผมครับเดี๋ยวต้องเริ่มเลยครับอาจารย์่ะครับขอบพระคุณครับผมคุณจินท์ตองานอยู่ระสณอาจารย์ทำงานอยู่เจ้าค่ะแต่ก็ก็ตั้งแต่กลับมานี่ก็ปฏิบัติได้ดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะอาจารย์คือที่ที่มันสัปปายะนี่มันมีผลมากๆกับการปฏิบัติ ก็โยมก็กลับมาแล้วก็ปฏิบัติดังเดิมพอร่างกายเราพร้อมเอ่อตอนไหนที่โยมยังนอนยังปรับเวลาไม่ได้โยมก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิตอนกลางคืนจนกว่าจะง่วงอะค่ะแล้วก็นอกนั้นก็ก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าเราสงบขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมด้วยซ้ำอะค่ะพระอาจารย์หลังจากที่ไปปฏิบัติบนเขามาเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเออจะต้อง จับอะไรดูตรงไหนเพราะว่าแต่ก่อนนิยมอาจารย์นั่งสมาธิเราแอบไปดูรายละเอียดของการของอารมณ์ในสมาธิ mm hmm. แต่พอสักพักหนึ่งมันเริ่มไม่จับอะไรเลยมันจับจัลลุมหายใจแล้วมันก็มันก็อยู่ได้นิ่งๆ น, น, นานๆ น, น, นะคะพระอาจารย์ mm hmm. ก็ถือว่าถ mm ือว่าช่วงนี้ดีช่วงนี้ยม ปฏิบัติได้ดีค่ะแต่ปะเด็นอีนกเราจะประเด็นอย่างการนั่งสมาธิได้แล้ววางท้องตาให้จิตนิ่งไม่รำคาญให้ใจจิตไม่อไรนนสนใจทำอะไรค่ะแล้วก็ยังก็สังเกตว่าถ้าร่างกายเราสมบูรณ์กินอิ่มนอนหลับหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้อิ่มมากขนาดนั้นแต่ว่าอยู่ในสภาพสภาวะที่สมบูรณ์การปฏิบัติก็ทําได้ง่ายขึ้นนะคะก็ สุขภาพของร่างกายก็มีปัญหาได้ถ้าเป็นเจ็บไข้ได้ตัวสร้างปฏิบัติยากจนริงๆค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนี้องก็โชคดีมากที่ได้กลับมาปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็กไม่มีดูควาสมสมดุลระหว่างร่างกายปสัสสาใจร่างกายก็ต้องก็ต้องไม่เจ็บไขยได้ตวัวดูแลมันทัก่อนหลับนอนภาษาให้มันเป็นเครื ทางมาดูแาเอามาใช้กับการปฏิบัติงานติดงานค่ะพระอาจารย์กลับขอบคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะที่คอยสั่งสอนค่ะขอบคุคนรนับเพือนไปที่วิจัยาน้อมกลับนมัสการพระอาจารย์ตอนนี้ปัญญาคนโสดเข้ามาตกอยู่เลยคะ่ะตกตตทุกวันเลยคะ่ะช่วงนี้ช่วง น, น, น, น, นี้ตามนี้ตามนี้ตกไหมตกค่ะ ตอค่ ะ, ะใช่ค่ะแต่เบาแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ไม่ทาตามความตั้งใจของตัวเองไว้เลยเอาชนะใจตัวเองไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์ที่เรีนเกของเราเนะ่ะใช่ค่ะย้มรอบเลยค่ะเพราะว่าไปใส่บาตรก็ไม่ได้ไปก็แบบตั้งเวลาปุกไว้ก็ปืนแต่ก็ ไม่ยอมลุกอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไม่ยอมนั่งสมาธิทั้งเัื่อต้นอาทิตย์เนี่ยค่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ฉันน่าใจตัวเองไม่ได้สักวันเลยพระอาจารย์เมื่อกี้ก็จะไม่ยอมเข้าส่งก็หาอะไรทํำนู่นนี่นั่นสองทุ่มก็รู้ว่าพระอาจารย์มาแต่ก็ยังเดินไปเดินมาหรือว่าทำเตรียมทํากับข้าวหรือทำว่าเอะวันนี้ไม่ว่างนะบอกแต่ว่าวันนี้ไม่ว่างแต่ก็พอทําเสร็จแล้วก็อะเข้าดีกว่า เพิ่งชนะเมื่อกี้นะคะพระเจา้าทั้นั้นล้มเหลวหมดเลยค่ะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเราจะทํายังไงไม่ให้ล<อ>ง<ม>โทษ<ห> ต, ต, ตัวเองสิลงโทษตัวเองสิเราเราอยากดูหนังเราอยากทำในสิ่งที่เราชอบทุกวันหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ทํำในสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะเราต้องอยากไปทําในสิ่งที่เราชอบดานหลังมนะันแบบ้างบัดสันดานบนะ้างก็ประมาณว่า อย่างเมื่อวานสมมเมื่อวานเนี่ยหนูกินข้าวปกติจะกินมื้อเดียวใช่ไหมคะแล้วหนูกินข้าวไปจนถึงสองทุ่มไม่ใช่กินข้าวกินขนม ก, กินนู้นกินนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอ๋อพรุ่งนี้เธอจะไม่ได้ทานอะไรจะไม่ให้เธอทานอะไรเลยแต่สุดท้ายก็แพ้ยับเยินเลยพ่อจ๋าชนะไม่ได้เลยจิ้งหลักกว่าเดิมอะค่ะพ่อจ๋ามันทำร้ายรำมากกว่าเดิมอาาาาีกก็อันนี้อีถึงว่ากก ผลของการกระทันนี่มันจะทำให้เราอเป็นอยู่ในกอทุกข์ของการเกิดแก่สุดท้ายมากขึ้นไปเรื่อยๆให้เรามองเห็นผลดูว่าคนที่มันจะตามมาจะต้องกลับมาเกิดมากินมามาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ตัดมันถ้าเราจะใช้ไม้แข็งที่สุดนี้กับตัวเองแบบลงทอดให้ตัวเองแบบไม้แข็งๆอย่างเงี้ยพ่อจ๋า จะ<ร>ท <ำ S 1> ําวิธีใดอ่ะคะเราก็ต้องรู้แต่ว่าไม้แข็งของเราเป็นอะไรแล้วเราเราแข็งได้ก็แบบเราเนี่ยแหละคะปะัญ<ก>หาก็ให้ให้คิดถึงผลของาการการทําเราทำงา บ, บนี้มันก็จะเนื่องที่เราติดอยู่ในกรมมาพุ่เราติดในรูปเสียงกลิ่นเราเราไม่จะเวียนหัวตายเกิใ น, กกในในกรมมาพุ่งเป็นสายนี้ ตำไมในวันที่เรออกจากการเรียนว่าตายเกิดได้ให้ติดอยู่บนโลกเสียงกินโลกเียมีอาจารย์นะคะมันไม่ใช่มันไม่มันมันไม่ใช่เกิดจากความท้อแท้ในใจเราหรอคะว่ามันไม่ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทําให้ทําให้การปฏิบัติของเราหรือว่าการเคยทําของเราเนะ่ะมันถอยหลังออกถอยหลังนะคะมันไม่ก้าวหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะ มันมันเกิดตกใจเราหรือเปล่าคะมันเป็นเรื่องอารมณ์ของใจบางเวลาก็ศรัทธาขยันบางเวลาก็ท้อแท้เหนื่อยได้จะท้าแท้เหนื่อยได้นี้ต้องต้องึกต้องเข้าหาพระพุตรพระธรรมพระสงฆ์อ่านหนังสือธรรมะฟังเทศทางธรรมเข้าฟังเข้าฟังซูมอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเกิดมีกําลังใจขึ้นมาได้ยินได้ฟังเรื่องของคนอื่นเขามันก็จะช่วยทำประตูให้เราอยากจะเป็นเข่าได้ ฮัลโยมว่ายมเป็นอาการทอ้อแท้ในใจแน่ๆเลยไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแน่ๆเลยเราก็ อ, อยู่หาา่างธรรมะไปๆเน่าพยายามฟังเทศทุกวันเนี่ยที่บ้านฟังไปเรื่อยๆทุกวันค่ะพระอาจารย์จะน้อมนําเอาไปปฏิบัติเจ้าค่ะค่ะแล้วฟังไม่ต้วงฟังฟังแบบตั้งใจไม่ใช่ฟังแบบเป็นเสียงดักนาเปิดไปแค่นี้นะครับไปทำนั่นทำนี่ ถ้ามันกัมพจริงมันก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็เอามาฟังในร้าน น, นิดๆหน่อยๆมันได้แต่ว่ามันก็ได้ไม่ปฏิบัติต่อเหมือนพระอาจารย์ว่านั่นแหละคะ่ะแต่ก็แต่ก็จะพยายามพยายามเข้าหาทำมากแล้วก่อๆมัน <ส Tamam. S 1> จะได้มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจเราไว้อย่างคืนคนี้คนอย่างงั้ยต้องเข้ามาทุกคืนทุกบ่ายพูดเลยต้อ ง, อองถึงว่าไม่เม้ไม่ได้เป็นตายงไงก็ต้องเข้าให้ได้ นอจากเรื่องคอขาดบาดตายสุวิสัยกันแล้วเล้าไปครับอาจารย์เรามาังเยอะๆไม่จะได้มันได้ยินได้ฟังเรื่องของการปฏิบัตินะะจะทําให้เราเกิดกําลังใจขึ้นมาได้เห็นเครื่องข้าปฏิบัติดีแล้วก็อยากอยากจะปฏิบัติตามกะก็นั่นแหละค่ะก็เห็นเมื่อนเพ <ก S 2> ินไปสักไกลแต่แล้วทาไมมันอย่างนี้ยค่ะเราก็ไม่ได้อะไร มันก็เหมือนใจมีแกลบ น, น้อยๆที่ว่าเราทำให้เราทอแท้แต่ก็ก็รพยายามแล้วขั้นตอนนี้การปฏิบัติก็ยังต้องน้อมลูกคูปกายไปก่อนก้าวเดิน<โ>ไปข้างหน้าสองก้าถอยข้างหลังสามก้าวก้าวไปก้าวมาอย่านีก่อนแต่พยายามทำไม่ได้ๆต่อไปมันก็จะก้าวหน้าไปเร่อยๆนะ้าอย่าอยอมแพ้น้องตาหมอ ไม่สู้ไม่ถอยน้ำขัดใจต่ำน้ำสู้ไห่ถอยนะคะนะะะอาจารย์ขอบพรคนเจ้าค่ะแล้วเราคิดถึงความตายบ้างเลยจะช่วยได้เหมือนกันนะตายาไปก็ไม่ได้ทาอะไรของมูลนี่แล้วนะต่อไปไปตา้างแล้วถามว่าทำไมทาไมต้องเยอะแยะทไมหาอะไรตายเข้าไปไม่ได้ทั้งวน มันจะได้ลดเวลาทำงานจะได้ในเวลาเราปฏิบัติเริ่มมากขึ้นแล้วค่ะโอเคสาธุาอะของคุณค่ะอากาศค่ะอ่ะคุณมล้ อ, อสุราษฎร์ธานีประทุมดานีท่านพระอาจารย์เจ้าคะอยากทราบว่าจิตของผู้ที่มีเมตตาบารมีมีลักษณะเป็นอย่างไรเจ้าค ะ, ะาก็ในผู้ที่เสียสละ ใด้กว่าเห็นประโยชน์เป็นความ ส, สำคัญของพูดมากกว่าเห็นความ ส, สำคัญของตัวเองความเมตตาเป็นซันตะครอสแบบมิงานผู้มีตามเมตตาคุณจากซันตะครอสไหมเห็น ไ, ไหมเด็กทั่วโลกนิรากซันตะครอสกันทันนะ้งปนกน้ะเป็นแบบซันตะครอสมิจ่ให้เป็นผู้ให้เมื่กับเป็นผู้รับ ถ้ามีรัายได้มาเกินกว่าที่ยังไปจะต้องเก็บไว้ก็ให้ไม่เก็บไว้ไม่ห่วงอยากให้คนอื่นมีความสุขักษณะของความเมตตาของผู้ที่มีความเมตตาเห็ในกายเดือดร้อนก็อยากจะช่วยเหลือเขาอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะถามไปทำไมนะจะได้ตรวจสอบดูตัวเองเจ้าค่ะ ก็บรรดาแเ่เมตตาก็บอกไงนะมาอยู่สีลักษณะของผู้ที่มีความเมตตาหนึ่งไม่จองเวรจองกรรใครให้อภยัยเอาเวลาโหงตุกเอาปัาประชามตกไม่เบียดเบียนใครไม่ไปทำร้ายใครเขาเสียหายเดือดร้อนไม่เบียดเบียนอส า, าอนิคาโหงตุกไม่ไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้กดใครก็ไม่ไปทุบไปตีก็ไปยิงไปฟันก็น การทํ็แล้วก็ชดประชาให้เขาเกิดความเสียอดเสียใจยขึ้นมาไม่ไม่ทำร้ายร่างกายแลวจิตใจผู้นูข้อที่สี่คือสุ ข, ขีตามังบริหารจดให้ความสุขกัู้ตามกาลังตามความสามารถตามตามความเหมาะส ม, มให้ความสุขใคได้ให้ไปเลย ทำอะไรแล้วคนให้เขาได้มีความสุขจากการกระทําบุญเราเพียงแต่ยิ้มให้เขาบางทีเขาก็มีความสุขนะบางทีแบบทักทายเขาหน่อยหรือมีขนมอะไรมาแจกมาฝากกันมากมาแจกกันเยอะเกินลักษณะของความเมตตาไม่อยู่สิ่สิ่งลักษณะนี้นกันะไม่จ่าเวรจ่ากรรมให้ไปรู้จักการให้อภัยไม่เบียดเบียนกัน ไม่ทำร้ายร่างกายจิตใจกันให้ความสุขต่อกันที่ส่วนวนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เวลาส่วนนี้เป็นการศึกษาหรือเป็นการจเรจริญสติเราจะแผ่เมตตาต้าองอเวลาที่เจอเหตุการณ์จริงเช่นถ้าว่ามีคนมาทําให้เราเสียหายแต่เราบอกว่าไม่เป็นไรแล้วใจเราว่าไม่เป็นไรจริงๆอย่างนั้นก็ทําเมตตาใชหม ใจเรามีความสุขจากการที่เราให้อภัยเขาค่ะลูกโชคดีที่อยู่ในอาชีพที่สามารถถ้าไ ด, ถาได้ถ้าได้ทํางานสามารถแผ่เมตตาได้ทุกวันเจ้าค่ะใช่รักษาศักดินี้ได้เจ้าค่ะบริการบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนขอให้ความสุขกับเขาบางคนเขาไม่ค่อยมีสตงังเจ้าค่ะมีเยอะเจ้าค่ะตรงนี้ก็ไม่ไมีก็ได้ไม่คิดตังนั่นแหละคิดน้อยๆไม่เอาทํางานก็นแ้ล นำไปปฏิบัติเจ้าขาท่านพระอาจารย์โอเคนะแต่ถ้าเกิดมันถ้ามันอยู่ในขั้นส่วนวิสัยเราก็ต้องใช้อุเบกขาแทนสถ้าทำอะไม่ได้ก็บางที่มันไม่อยู่ในกรอบสี่ข้อนี้ก็เราก็ต้องใช้อุเบกขาไปน้องนำน้องนำไปปฏิบัติเจ้าขาท่านพระอาจารย์โอเคคุณสุภาสต์อย่างยารส์เท็กซัสเช่น กลับน้สัสศการพระอาจารย์เจ้าค่ะมาอยังไงมีอะไรไหมปกดีคุณหมอถามเรื่องเมตตาลูกก็เลยจะถามเลยว่าคดีเอ่อมาอีกแล้วเจ้าค่ะเขาให้ตอ บ, บว่าให้ให้ลูกช่วยอีกแล้วเจ้าค่ะเรื่องเรื่องเรื่องงานนะเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยอพอเขาบอกว่าครั้งเนี้ยคือ คือมีอ่ามีค่าตอบแทนอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแล้วลูกก็แบบพอได้ยินคําว่าค่าตอบแทนทํามันรู้สึกมันเป็นทุกข์อ่ะเจ้าค่ะมันมันรู้สึกแปลกอะ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนบอกพอมีค่าตอบแทนมันก็ยิ้มแต่พอได้ยินคําว่าค่าตอบแทนมันก็เลยทุกข์ทีนี้ลูกก็เลยตัดสินใจเลยบอกเลยพูดออกไปเลยว่าขอให้เป็นวิทยาทานไม่ไม่รับค่าตอบแทนได้ไหมอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแล้วพอลูกพูดไปรู้สึกว่าใจมันแบบ มันโล่ง ม, มันมีความสุขอะเจ้าค่ะมัเพราะถ้าเรรับเงินก็ถือว่าทำไม่ใช่ทําทานเจ้าค่ะลูกอยากดัดนิสัยตัวเองเจ้าค่ะก่อนที่ลูกจะมาศึกษาลูกรู้สึกว่าทุกอย่างลูกคิดอะไรเป็นเงินไปนหมดพอได้มาศึกษาตามน้อมนําคําสอนของพระอาจารย์ลูกเลยอยากดัดนิสัยตัวเองว่าไม่อยากรับเป็นเงินไม่อยากไม่อยากได้อะไรอะเจ้าค่ะก็เลยจะบอกว่าเป็นวิทยาทานเป็นเลยอย่างเงี้ย มันก็เลยทำให้มีกำลังใจในการทาที่จะช่วยเขาอ่ะเจ้าค่ะการเป็นให้ความสุขกับผู้อื่ยการให้ทานนี่ก็เป็นการให้ความสุขกับผู้แต่ถึงแม้ว่ารู้ว่าฝั่งนั้นเขาจะมีฐานะคือค่อนข้างจะมีฐานะที่จะเราคือเขาไม่ไดฐฐ้ฐานะยากจนอะเจ้าค่ะไม่ได้สถาบันที่ยากจนแต่เราก็ไม่สนใจว่าเงินนั้นจะมาจากคนรวยหรือคนจนแต่เราไม่รับ ก็ถือว่าเราแผ่เมตตาใช่ไหมเจ้าคะใช่เราไม่เลือกคนเองให้ความเมตตานี้เราไม่เลือกเงินไวยเรือกจนเจ้าค่ะดีเรือกชั่วแม้แม้แต่ข้าตกรเราให้ความเมตตาเขาได้ให้อภัยก็ได้ก็คือเราให้ความคือเราไม่ได้สนใจเขาแต่เราสนใจตัวเองคือเรา<ช>ต้องการให้ความสุขกับตัวเองอะ่ะเจ้าค่ะถูกต้องว่าทาความใจเราเป็นผู้รับความสุขจากการกระทําของเราเอง เจ้ค่ะวันนี้เห็นชาเจอร์ค่ะพอพูดคําว่าเราต้องการให้เป็นวิทายาธรรมไม่รับแล้วใจมันมีความสุขมากก็คือเข้าใจแล้วว่าอ๋อนี่คือเราเราให้ตัวเราเองจริงๆเราไม่ได้ให้เขาหลอกจริงๆ<ช><ร>แลเราให้เราให้ตัวเองจริงๆเล้วค่ะนัปากกิเลยคือความโลกของเราได้เจค่ะเจ้เจาด้วยความเห็นแก่ตัวม้วยความเห็นจัดตัวเจ้ค่ะเจ้ค่ะก็ ก็เมื่อไหร่ทางโลกจะจะจบก็อยู่อยู่ทางโลกก็ต้องใช้พองใหหายสิไปถ้าเรายัองอยู่กับทางโลกอยู่มันต้องใช้พอมให้หายทาไม I <mean> มาเรื่อยๆเจ้าค่ะมาเรื่อยๆเลยงานงยังมาเรื่อยๆบา ง, งิีก็ต้องใช้โอเบกขาถ้าเราไม่สามารถทําตามที่เขาขอได้ก็ต้องใช้คนชงเบกขาไปเจ้าค่ะแต่ครั้งนี้พองานเข้ามารู้สึกเห็นทุกข์แล้วรู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิจะนิ่งขึ้นตรงที่ว่ามันเหมือนมันไม่อยากรับ รับรู้อะเจ้าค่ะมันก็เลยจะตัดได้เร็วแ บ, บบแบบแบบว่าผ่อนไปเลยตัดไปเลยอะเจ้าค่ะแล้วก็จะนั่งนั่งสมาธิได้รู้สึกรู้สึกนานขึ้นนะเจ้าค่ะ<ช>เพราะว่าอยากจะหนีมั้งเจ้าค่ะอยากจะหนีทุกทั้งโลกก็เลยตั้งใจตั้งใ จ, งใจพุโทโธตั้งใจดูลมกว่าแก่อนมันมีเหตุบังครั้าไปนั่งนั่งนั่งมันมีคทุกข์ ช่เจ้าค่ะรู้สึกว่ามันเบื่อมันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกก็เลยนั่งแล้วก็แบบพยายามหนีหนีไม่อยากคิดก็เลย <ฮะ S 1> จดจ่อมากขึ้นเจ้าค่ะก็เลยถือว่าอาทุกขมาทําให้เรา<ช>เรามีความเพียรดีตัวเองมากขึ้นเจ้าค่ะถ้ามันสมงก็อาจจะทําให้เราขี้เกียจปฏิบัติได้มุ่งที่มุที่ต้องสร้างความทุกข์ขึ้นมาพวกปฏิบตัติมักจะมาหาที่มันมีความทุกข์มันมง่ายบังคับให้ปฏิบัติ พองานเข้ามาแล้วก็โองานมาแล้วทุกมาแล้วหนอทุกมาแล้วหนอนั่งเลยเจ้าค่ะนั่งนั่งเลยเจ้าค่ะทีนี้แล้วก็ทีนี้ดูลมหายใจดีขึ้นเลยเจ้าค่ะเพราะทุกมันมาแล้วมันไม่อยากมันไม่อยากทำเหมืเจ้าค่ะมันก็เลยไม่อยากทํางานทั้งโลกแต่ถือว่าเป็นวิทยาธรมมันก็เลยสร้างความสุขให้เจ้าค่ะก็เลยยินดีที่จะทําเจ้าค่ะถ้าทำได้ก็ทําไปถ้าทาไม่ได้ก็โอเบคไปปฏิเสธไป เจ้าค่ะถ้าลูกคิดว่าถ้าเกินลิมิตแล้วเยอะมากขึ้นลูกจะปฏิเสธเจ้าค่ะเพราะว่ายังยึดอยากยึดความสงบตรงนี้มากกว่าเจ้าค่ะเพราะยังเข้าไม่ถึงต้องต้องใช้พลังพอสมควร่เจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณเอคอมเนทเมื่อกี้เข้ามาเมือไหร่ใ่ไหมจากญี่ปุ่นมีสองคน่กี่คนพุ่นค่ะว่า เดี๋ยวโยมเปิดไฟตอนนี้กันคืนเมื่อกี้ชั้นทิาาสาใช่ไหมมีคงแน่นรู้<า>จักกันต้องแล้วไม่รู้จัก shower, จค่ะพระอาจารย์ค่ะอ่มีอะไรนะวันนี้พระอาจารย์สบายดีนะค ะ, ะสบายดีจ้ะค่ะไม่มีอะไรคะ่ะเข้ามาฟังค่ะพระอาจารย์อโอเคตอนนี้กลับมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วคะ่ะพระอาจารย์โยมไปกราบพระอาจารย์ที่ชลบุรีแล้วก็เดินทางที่ ไปฝรั่งเศสแล้วก็กลับมามใช่เลยนะไปห ล, หลายที่เนี่ยค่ะตอนอยู่ฝรั่งเศสเนี่บ้านเข้าอยู่ฝรั่งเศสนะค่ะป้าจานันอืมเยนอันนี้ก็อยู่บ้าน<ไ>มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นตามนี้ค่ะแต่ว่าตอนที่โยมไปเมืองไทยก็ได้พาพ่อกับแม่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าค่ะที่ที่ภาคอีสานค่ะอห้าวันก็ ปฏิบัติแบบว่าคือคือสิ่งที่คือโยมอยากจะขอเล่านะคะคือพ่อกับแม่เลิกกันมาสามสิบกว่าปีแล้วก็เหมือนกับยังยังไม่ให้อภัยกันอ่ะคะ่ะแล้วโยมตั้งใจว่าวันหนึ่งอะ่ะจยากจะทําสิ่งนี้ค่ะแล้วก็ได้ทําก็พ่อกับแม่ก็ไปปฏิบัติทำแล้วก็ขออโหสิกรรมกัน ค, ะค่ะดีเวลานมันก็ผ่านมันไปเยอะนะมันควรจะ ก็ยังแบบยังแม่ก็ยังยังไม่ให้ภัยค่ะแล้วทีนี้พอออกมาก็ออกมาจากวัดก็ยังมีทะเลาะงง ง, งังกันอยู่โยมก็เอาไม่เป็นไรล้ะกรรมที่ทําไว้สามสิบกว่าปีสร้างกันโอโหสิกรมกันแล้วออกมาแล้วก็สร้างกรรมใหม่ก็เป็นกรรมใหม่ของพ่อกับแม่แล้วนะคงก็ปล่อยวางค่ะเอก็เป็นคู่ก็เป็นคู่กัดกันมันเป็นคู่กรรมคู่กัดคค่ะ ยอมก็เลยวางค่ะตอนนั้นก็คือแต่ว่าสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ทําแล้วค่ะก็เลยแล้วนเราทําหน้าที่ของเราเสร็จแล้วหมดหน้าที่เราแล้วใช่ค่ะ แ, แล้วก็ยมตั้งใจว่าจะไปกลับไปอีกค่ะช่วงปลายปีเพราะว่าที่วัดนั้นก็คือปฏิบัติแบบว่าค่อนข้างเคร่งพาะคะดค่ะยมก็ปฏิบัติใหม่อะค่ะก็คือไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทําในสัจชิพได้ก็ได้ไปทําที่วัดนั้นครั้งแรกในชีวิต มีมากเนี่ยต่อไปน ะ, ะพยายามฝึกไปเรื่อยๆ อ, อยู่ที่บ้านก็ทำาน้าทำเนี้ยนะไม่ต้องมองไปที่วัดห่มอมันลำบากสามคนอละวพระาอาจารย์บางทีก็จะแบบลำบากหน่อยคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยววันเกิดโยมโยมก็จะไปบวชในขม่าค่ ะ, อะขออนุญาตศัค่ะที่ญี่ปุ่นนะใช่ค่ะมีวัดป่าที่ญี่ปุ่นค่ะพระอาจารย์จะทําที่วัดค่ะตั้งใจไว้คโอเคมีมากค่ะทานมีก่อนะ ขอให้พระอาจารย์ธาตุแข็งแรงนะคะอม่าสาธุแม่ขอบคคะสาธุจอยต่อจอยพระเทียังหน่อยเสียงค่อยๆหน่อยฝนฝนฝนตกมันม ย, ยังตกล ง, งอยู่นะตกอยู่ค่ะยังตกทุกวันเลยค่ะนี่นี่เก็หยุดไปเมื่อกี้นะที่นี่คนหยุดนะเมื่อกี้เขาตกหนักเหมือนกันนึงดาว ของหนูก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอ่าดีน่าลักไม่มีอะไรแสดงว่าดีถ้ามีาองม ป, ปัญหาก็มีค่ะแต่ว่าหนูก็รู้ตัวเองกับมันก็ได้บางไม่ได้บางก็พยายามทาไปนะเหมือนกับอาพยายามดีหน่ยในความเชื่อหงมันก็อย่อย่งนี้เดี๋ยวว่นถ้าวันไหนเขาปิ๊งขึ้นมาไอ้กูบ้าหรือเขาเองอยูอ่ะเขาไม่ได้มาบ้า ก, กูาเลยใช่ไหมคนใดมาพาดจานขอเลย เขาต้องปลี่ยนเขาอยู่อย่างนี้เราเราอยู่เราตายเขาก็เป็นเหมือนเดินอย่างนี้เราไปบ้าของทําไมใช่หนูจริงค่ะหนู อ, อยากคิดให้ได้แบบแบบแบบใหมันหลุดมันเลยมันลืมมันลืม ม, มันลืมมันลืมไปอยากชอไปเปลี่ยนเขา้าชอบไปอยากป้นให้เขาเป็นเหมือนเราความต้องการของเราใช่ใช่ค่ะ ก็หนูคิดว่าหนูคิดถูกแล้วไอ้เขาเป็นหนึ่งที่หนูคิดก็เป็นหรือเปล่านะไม่เป็นเป็เลยแล้วเยียวว่าคิดว่าถูกได้ไงแบบเราเราเราคิดว่าแบบว่าเราป้องกันว้าให้ทุกคนนะจะได้ไม่ต้องทําบาปทําผิดอะไรกันอย่างเงี้ยอ่าอ่าก็พยายามต่อไปดูเดี๋ยวบันเสาไปใส่บาสนะคะโอเคสาธุก็ฝนฝนตกก็ ม, า, ม า, าทุกวันมาระบาดุกวันก้วเมอ้ า, านี่ฝนตกกางมมร่มเป็นบาดตลอดทนเยญ<ห>าติโยมก็หาที่หบ ก, กันหนาะที่กางกางร่มหน่อยใช่ใช่หเห็นทุกคนแบบตู้มากกับการใส่บาตหน<ห>ูก็กกปลื้มใจเหมือนกันนะคะอืไม่ต้องกลัวฝนตกเอาน้าเปล่กมากวันนี้ยังเปลี่ยนได้ใชอค่ะซักผ้าผ้าก็เปลี่ยนอยู่ดีนะเวลาอาผ้าไปซักมันก็เปลี่ยนอยู่ดี ถามน้ามันก็บร่างกายก็เปลี่ยนในเวลาใส่มาตรฝนมันจะตกมากเกยดมากม็ช่างมันเม่อไรจะมีความสุขชุ่มฉ่าใจด้วยนะใช่ค่ะเรามีความสุขใใจค่ะเวลาไปใส่บา ท, ทีไรมันมันสุขใจอหญ่ใหญ่ครั้กล่องบาป ท, ทุกทีเลยค่ะยิงย่งยิง่งยิ่งทำบุเสียงกับเสียงกับความทุกข์ยากลาบากมากเท่าไหร่ยิง่งยิ่งมีความสุขมากขึ้นใหญ่ภูมิใจมีความสุขใจอ้อเราชนะกิเลสได้ กีเรียนพยายามจะชักชักใกล้ใบชักมาให้เรือเสียอยู่เรื่แต่เราจะไม่ยอมให้มันชักนะเราต้องแน่วแน่ต่บความตั้งใจของเราตั้งใจจะใส่ใบเข้าไปฝนมันจะตกยังไงก็ไปนอกจากไปแล้วมไปไม่ได้ถนนมันเปิดอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้รตั้งใจก็ไปให้ได้ถุกปต้อ์ตามเดิมถธอใครมันเป็นนิสัยแล้วต่อไปจะทำอะไรมันจะได้ทําได้สําเร็จ เงินจะทําอะไรทีละพอมีอะไรนิดหน่อยก็ไม่ทำนะเล้วนะก็ไปไม่ถึงไหนนะต้องอดทนต้องมีความเพียรพยายามมีความอดทนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะโอเคขอบคุณท้อบาที่คุณวลิตาวลิตคุณกลังจะกล้าหลงพ่อก็ก็มีคํา มันก่อนมีผมมีเพื่อนมีนมเรื่องแปลกๆคือผมอ่านเรื่องพรเวสสันดรพอดีผ่านไปสิบนาทีเพื่อนโทรมาขอยืมเงินผมก็แบบแม่ผมสอนว่าอย่าให้เพื่อนยืมเงินแต่ผมเพิ่งอ่านพระเวสสันดรมาทีก็คิดว่าเอ๊ะเงินประมาณสามพันบาทไม่มากไม่ น, อน้อยถ้าโกงไปจะเป็นยังไงแต่ถ้าเขาลบาบากจริงก็ถือว่าช่วยเขาแล้วเขาก็เหมือนแบบเฮช่วยนอนอะไรนี้ผ่านไปเขาบอกจะคืนพรุ่งนี้ผ่านไปจริงจเออ ทุกวันนี้ยังคืนไม่ครบเลยเออก็เลยแบบโอเคนี่สินะเราดูความตันหนีในใจว่าเราเป็นไงแต่ก็มันก็ไม่ทุรนทยครับเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าเขาไม่มีสัจจะอะไรประมาณนี้ถ้าไม่รู้เหมือนเขาเป็นคนยังไงอ่ะมันก็แต่เราไม่ได้โกรธนะครับแต่ทาให้เรารู้ว่าเขาเป็นยังไงใช่บางทีแล้วก็ไม่รู้ถ้าเราไม่เล่ทดสอบก็เข้าใจนะครับตอนที่ใช่ครับคือแม่ผมสองว่าห้ามให้เพื่อนยืมตังเด็ดขาดถ้าไม่ยืมเด็ดขาดแต่แล้วผมก็ ก็จําได้แต่เพิ่งอ่านพระวิสันตดอนสิบนาทีที่แล้วเมื่อพอดีเลยว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์แต่ท่านก็ไม่ได้จะติดอะไรเลยผมก็ก็เลยอยากทดสอนตัวเองเหมือนกันก็เลยรูว่ า, า, วาเราเราจะเป็นลูกเศรษฐกิจดีลูกศรษฐแม่แล้วลูกรรเศรษฐก็วิสันตดอนดีเขาวิสันดอนดีกว่าครับอ่าองนั้นก็อย่างั้นก็โอเคอันนี้เป็นการสร้างบารมีเขาพระโพธิสัตว์ไปบอกแม่แม่ดุซ้ําครับหลวงพ่อ พ่อแม่เขาไม่ได้แใจไม่ทุกนะครับอไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้อ่านเรื่องพ่อแมสัญดอนนีเราคือมันคือมันตลกตรงที่อ่านอ่านก่อนเพื่อนโทรมาสิบนาทีเลยครับหลวงพ่อคือก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมายืมเงินเลยแล้วผมไม่ได้อ่านพ่อแม่สันดอนเพราะอ่านจิปาถีเขาโทรมาเลยอาจจะเป็นข้อต่อใจไมจังหวัดมาเป็นข้อต่อใจเราเนี่ยเราจะเป็นเรื่อพ่อแม่สัญดอนรับ ถ้าเราทำแล้วมีความสุกก็ใช้ได้แต่ก็ต้องระวังหบนเนื้อหมดตัวนะต่อไปเราต้องไปกู้ที่อยู่สินคนอื่นนะถ้าเราไม่ระวังระวังเราไม่จักพอดีครับครับครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะหมดหมดเนื้อหมดตัววนะ่าไปขอแม่ต่อใอห้มันไม่ได้นะ <c oughs> ไม่ครับไม่ก็เห็นเพื่อนเขาตอนแรกเขาอยากแบบเขาบอกเดือดร้อยจริงๆแบบพูดยังไงเหมือนให้ได้ทุกอย่างอ่ะแต่พอแบบเอ๊ะ มันยังไม่คนืนไม่ครบเลยแบบทักแชทไปหาเขาเขาแบบตอบช้าทีนี้ไม่เหมือนตอนแรกเลยหลบได้เขาให้เงินแล้วมันอการกลางมันเคยเนี่ยมันยากกว่าตอนให้ยงินไปนะครับคิดว่าเป็นการทำทางเลยนกันเขาคยก็คือไม่เคืนก็จะจะได้อย่าไปทุกข์กับมันนะจะเป็นบทเรียนเนี่ยตอนแรกเขาพูดก็ถูกเนี่ยนะ การให้คนคนยืนมันก็คจะจะเป็นแบบนี้โยกไปแล้วถ้าเราอยากจะเป็นพ่อเม่สันดานก็โอเคครับแล้วก็เรื่องการปฏิบัติครับหลวงพ่อผมก็เป็นคนที่มองว่าถ้าจิตไม่มีสมาธิมันจะมันจะแย่ทุกอย่างเลยครับเช่นฉันทะเราก็จะตกด้วยทุกอย่างจะตกเลยครับถ้าเราจิตเราไม่มีสมาธิครับหลวงพ่อถูกต้องแบบ เราจะทำบาราต้องปฏิบัติสมาธิก่อนต้องปฏิบัติสมาธิก่อนถึงจะไปทําทำอย่างอื่นได้ทํอยางอื่นได้เห็นเห็นมีคําสอนของพระอาจารย์องค์หนึ่งครับท่านบอกว่าสมาธิมันเป็นการข่มใจท่านไม่ให้ข่มใจให้ท่านไปตามดูจิตตามดูตามดูตามดูฟังแล้วมันแอดแดได้เลยเหรอแบบนี้แบบท่านบอกให้ตามดูเป็นวิปัสนาคําสอนแบบนั้นคือยังไงครับหลวงพ่อก็แสดงว่าท่านไม่รูงเรื่องมาที ผมท่าะเจ้าสอนให้สอนสมาธิก่อนว่าไปทางปัญญาบอกว่าพิจารณาไปแบบความโกรธขึ้นมาก็ให้ดูไปว่ามันความโกรธเป็นยังไงแล้วให้ดูว่ามันหายไปให้ตามรู้ตามรู้อย่างเนี้ครับลหลวงพ่ อ, อ, อผมฟังแล้วแบบจิตมันจะมีกําลังได้บบหรือเปล่าเน้นการพยายามทําันได้หรือเปล่ามันไม่มีกำลังอะ ไม่มีกำลังก็แสดงว่าไม่ใช่ชแล้วเป็นเป็นเชื่อข้อสมัยก็ก็แล้วก็เรื่องสุดท้ายคือหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อจะมีการทียบเท่าสวรรค์กับมรดกคือความสุขใจกับความทุกข์ใจแต่เวลาถ้าเจอใครแบบเขาตกปาตัวใหญ่ได้เขามีความสุขใจดีด้ามากๆเขาบอกนี่ไงสุขใจเขาก็สวรรค์สิคือ ขอคำอธิบายสาหรับเจออะไรแบบนี้นะครับหลวงพ่ออ่ามันเป็นสวรรค์สวรรค์ก่อนนรกไง น, นี่ครับอันนี้มันเป็นสวรรค์ก่อนนรกไงเดี๋ยวตายไปก็ต้องไปตปื่นฟายก็ตกบ้างาาอันนั้นมันมันก็จะกลายเป็นนรกไปนะเอเค เพราะแบบถ้าบอกสวรรค์อยู่ในอกในรกเหนื่อยใจเขาจะกลายมองเป็นจิตวิทยาแบบไปเสพยากัญชามีความสุขลอยอาจารย์เวลาเวลามันติแล้วไม่มีเสียพมันการมันจะกลายเป็นอะไรไปเหมือนกันทุกอืครับเหมือนใช่ครับเหมือนเหมือนติดกาแฟติดน้ําหวานทุกดไะ่ใช่ยาเด็ดๆยังติดได้เลยอ่าแตเวลาขาดนั้น้เป็นงานเสกคลามันเลย Okay, โอเคนะมีอะไรไว้ทุกวันทุกอีกเรื่องสุดท้ายคือทุกวันนี้ผมพยายามสอนเรื่องการพัพดผ้ากับตัวเองอย่างนี้อยู่ครับเรื่องแบบสัตว์เลี้ยง <c oughs> ญาติที่น้องต่างๆก็พยายามสอนว่าอืมอาจจะตายวันไหนไม่รู้พอมันเป็นอย่างนี้มันแบบมันก็อยากดูแลเขาให้ได้มากที่สุดในเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าจะจากกันวันไหนมันจะเกิดอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาครับหลวงพ่อแต่ว่ามัน <c oughs> จะมีความ ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในส่วนนี้ครับหลวงเพราะเพราะมันมันรักกันใหญ่เมฆผูกมันมันเรียกว่ามีความเมตตาเนี่ยนะเพราะเราไม่ว่าจะต้องจากกันแล้วราในรักมากกวาเมื่ก่อนเมื่อก่อนมันเกลี่ยจะอยู่ไปไปเรื่อยๆก็เลยไม่ได้รักเหมือนเหมือนตอนนี้ครับผมครับลึกมันเป็นเรื่องที่แบบผมมันทําให้เรากลัวที่จะมีเมตตาต่อเขาแบบมันกลัวการพัดพลากแบบก็แบบ มันก็แบบจะไม่รุนแรงหน่อยร้เปอร์เซ็นแต่มันก็ลดระดับหนึ่งมาแต่มันก็ยังมีอยู่อะครับหลวงพอ่อก็ฝึกไปได้คิดไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็จ ะ, ม, จะมันก็จะรับรับได้รอ้อยเปอร์เซ็นตครับครับทั้งใจเรื่องนั้นอยู่ครับส่วนเรื่องการทํางานผมเออโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับหลวงพอ่อโอเคคนนี้อาไปเสด็จเจ้าอาไปเสด็จอยู่ที่ไหนนะคุณดอนอนะ สกลนครครับอาจารย์โอเ ค, อเคมีอะไ ร, รไวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรครับเข้ามารับฟังจะไปที่กุณทายต่อทายาทน้อมน้การครับอ่อา อ, อยู่ที่ไหนตอตอนนี้เพิ่งมาอยู่ที่มหาสารคามครับอ่าสารคามมีอะไรไหมก็มีคําถามในทางปฏิบัตินะครับก็สืบเนื่องจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นะครับที่ตั้งคำถามแล้วมัคําถามไม่จบก็คือการฝึกสติในชีวิตประจําวันในที่ที่ปลอดภัยอะครับ uh huh. ก็ตัวตัวอย่างของผ ม, ม น, นะครับเช่นอันนี้ผมทดลองทําแล้วะนะครับนั่งทานข้าวคนเดียวในห้องผมก็จะสติเนี่ยผมก็จะอยู่กับที่มือผมจับช้อนผมก็รู้ว่ากําลังจับอยู่แล้วก็ตัดอาหารยกขึ้น เข้าปากบุกปากเคี้ยวลิ้นสวัสดอาหารไปทางซ้ายทางขวาวางช้อนลงเคี้ยวจนไม่มีรสชาติอะไรเลยแล้วก็กลืนลงไปก็ทําทเช่นเนี้ยไปตลอดตลอดโดยไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนะครับก็<ต>คือทุกอา ร, รยบททุกสัมผัสอย่างชัดตาและมันคงอันนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องแต่ต้องทําย่างกับทุกเรื่องเลยทุก ท, ทุกอารยบทของการกระทําองกา ร, ครเคลื่นไหว ครับตอนนี้ก็ฝึกฝึกบางอระยะบทที่ฝึกได้ในที่ที่ปลอดภัยเพราะว่า ม, มันใช้เวลาเยอะอันนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมครับที่ว่นันละเน้น่ะเน้นเยอะจริงควรจะควรจะให้มันเป็นไปแบบตามปกติกินยืมไม่ต้องช้ารเป็นแบบตามปกติอ๋อก็คืออากัศกริยาเราเป็นยัางไงเราก็ตามมันได้ทันตลอดใช่ตามให้มันทันให้ใจเราไปที่อื่นได้เลยไม่จําเป็นจะต้อง s l o โ motion ทุกอย่าง อ่อครับก็ใช้แบบเราเคยเคี้ยวเร็วๆแล้วก็ตามให้มันเร็วๆใครกินกครกินเรวกินช้าใครเดินเร็วเดินช้าใครทําอะไรก็เหมือนเดิมเป็นแต่ให้ใจเราเข้ามันเข้าดูมันอยู่ตรงนั้นก็แล้วกันอย่าไปที่อครับก็ต้องทุกการสัมผัสทุกการเคลื่อนไหวเลยใช่ไหมครับใช่ทุกกิริยาหมดทุกวินาทีเลยง่ายๆครับครับโอเคงั้นผมก็ถือว่าปฏิบัติต้องเดี๋ยวจะปรับอีกตอนนี้มันมีอย่างหนึง เพื่อมันจะได้ไนันจะได้ใช้ชีวิตประจําวันเป็นปกติไงไม่เหมือนกากลายเป็นเหมือนคนหดเดินหัดกินเนี่ยนะครับเขาคนนี้อีกอย่างหนึ่งก็คืออารมณ์เวลาที่ผมจะทําเนี่ยเวลาผมตั้งใจมันจะยกตัวอย่างเรื่องฐานข้าวนะครับผมรู้สึกสนุกกับมันที่ผมจะทําอย่างนี้เป็นอารมณ์ที่ถูกต้องไหมครับถ้าสนุกก็เรียกว่าฉันทานมีฉันทานมีเี่ยเมีมีมมความสุขคนเาคราชอบอะไยินดีกับอะรมันน่าสนุกก็เป็นความส ครับมันแต่ว่าอารมณ์มันก็ไม่ได้ความสุขแบบกระเจิดกระเจิงอะไรนะครับความสุขแบบสนุกสนุ ก, นกมีความสุขเพลิดเพลินชันท่ากันเพลิดเพลิน <ๆ S 1> ยินดีใ<ม>ีความยินดีกับการกระทำอ๋อครับผมครับผมแล้วก็คําถามสุดท้ายนะครับในทางปฏิบัติซึ่งผมกําลังจะเริ่มอย่างจริงๆจังๆผมพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเช่นมองความสุขเนี่ยเช่นมีความสุขเรื่องอะไรก็ตามทีผมก็พยายามมองบูกลับว่า เดี๋ยวมันต้องทุกข์แน่มันต้องทุกข์เพราะแบบเนี้ยแน่นอนทุกๆเรื่องนะครับตทุกอย่างไม่เที่ยมทุกอย่างมีวันจบทุกอย่างมีวันสิ้นสุดมงครับแต่แต่ว่าผมฝึกที่จะคิดว่ามันเป็นทุกข์ก่อนอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเป็นการมองที่ก่อนก็ดีถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเ่ยไม่ต้องไปทำมันไลยครับผมอย่างที่สองเวลาผมเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าสังเวชหรือน่าเป็นทุกข์ผมจะมองว่า อ๋อมันเป็นเช่นนี้นี่เองเป็นธรรมดาการจบกรรมเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาครับผมผมฝึกแบบเนี้ยไม่ไม่ไม่ถือว่าหลอกตัวเองใช่ไหมครับไม่นี่เราปัญญาเห็นตายรับเห็นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครับผมครับผมโอเคได้ครับผมก็สองเรื่องเนี้ยนะครับที่ผมกําลังเพิเติมสรุปว่ามันอยู่ได้สติกับปัญญาสองในนี้สำคัญมากครับผมแล้วก็อผมครัสุดท้ายแล้วกันก็ หลังจากที่ผมกลับมาเจอโลกภายนอกแล้วก็กลับมาเรียนท่านอนุบาลใหม่ตอนนี้การนั่งของผมเนี่ยในในความรู้สึก น, นะครับมันนิ่งไปหมดไม่มีอะไรสึกตุกสึกหย่าบแต่มันก็ไม่ถึงขั้นสมาธิอะไรนะครับแต่มันนิ่งก็นั่งนั่ง น, นั่งไปต่อไปแล้วก็อยักให้มันมีอะไรเกาะไว้ดูลมหายใจเป็นอย่างเดียวครับใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็อีกสุดท้ายในชีวิตประจําวัน เดีย๋ยวนี้ผมมีความรู้สึกว่าเวลาผมนั่งทํางานเนี่ยที่ต้องประชุมต้องอะไรด้วยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเพ่งไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเช่นตอนเนี้ยผมคุยกับท่านอาจารย์อยู่เนี่ยนะครับผมก็จะมีท่านอาจารย์อยู่ข้างหน้ากับผมเสียงก็จะอยู่กับผมเสียงแอร์อะไรเนยมันเหมือนกับกล่าวเบลล์ๆๆหมดยังไม่สนใจใจเราจดจ่อใจเรามีสมาธิมีมีสติอยู่กับงานที่เราทำอ๋อครับ แต่ว่าผมไม่ได้แบบตัดขาดนะฮะแต่ว่ามันเป็นอัตโนมัติมันเอง<ช>ที่เหมือนไม่มีอะไรเลยใช่เวลาปฏิบัติสติมากๆมันจะเป็นนะมันจะจออยู่กับเรื่องมันเออ๋อและอย่างอีกอย่างหนึ่งคือเวลานักประชุมกันแลหลายคนเนี่ยมันจะมีการถกเถียงกันสมมุติผมกำลังคุยกับท่านอาจารย์อยู่เนีคนอื่นพูดแทรกขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งซึ่งผมรู้แต่คุณจะไม่สนใจกับมันพอเตร็จคุยกับท่านอาจารย์ต่อผมก็จะไปเพ่ง ตรงนั้นอีกเป็นชิ้นๆชิ้นๆไปเป็นชิ้ น, น, น<ช>เนดียวทำทีละยางครับอ๋อมันโดยอัตโนมัติ่นะฮะโดย <ละ S 2> สติรอบข้างไม่มีเลยใช่ฝึกสเติบ้างมาๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับพ่อครับผมแล้วผมรู้สึกเพลิดเพลินกับมันอันนี้ก็ไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ผินไม่ผิดผิดไม่ผิดครับผมครับครับขอบคุณมากครับท่านอาจาร์ครับนะครับแต่ว่าต้องอย่าใช่นั่งอย่าให้จิตนิ่งสงบแบบเนิ่นจริงๆเลยให้ทุกอย่างหายว่างไปหมดเลย อ่อครับครับครับครับดังนั้นฉะนั้นนุบานต่อไปครับอือดีดีมากอันนี้หลักวิธีปฏิบัติวิธีฝึกสติวิธีฝึกปัญญาครับครับโาเคขอบคุณนะครับคุณที่ใช้ยาชยานิดหน่อยใชคุณชยานิดการวัฒการมพระอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์อ่านชื่อถูกไหมถูกค่ะใช้ยานิดหน่อยค่ะเต็ที่หละใช้ยานิดหน่อยนะ อ่ะพระอาจารย์เจ้าคะคือหน่อยจะถามพระอาจารย์เรื่องที่พระอาจารย์บอกว่าให้เราพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปก็คือการที่เราพุโทโธพุโทโธอ่าก็คือท่องไปเลยไม่ต้องสนใจลมหายใจเข้าหายใจออกใช่ไมสภัสใช่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้ า, าใช้พุโทโธไม่ต้อ ง, งดูลมก็ได้ถ้าดูลมไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้ าทาอาจถ้าถ้า<ะ> ใ, ชใช้ทั้งสองอย่างก็ได้มันมีสามวิธีค่ะอย่างถ้าไหนดูลงนีก็คือว่าให้เอาผู้รู้มาแตะไว้ที่ปลายจมูกหรื อ, อแล้วแต่ที่เราสะดวกถูกไหมเจ้าค ะ, ะแล้วที่เราเห็นนมชาติที่สุดตรงไหนก็ เ, เอาตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นก็คือว่าถ้าถ้าท่องฟุตโท้หรือสวดมนต์ก็คล้ายๆกัน ใกล้อยู่กับพุทโธไม่ต้องอยู่กับเราไม่ต้องไปสนใจอกถ้าชวนบอนกับพุโธก็ไม่ต้องไปดีเอาอย่างได้อย่างนี้ก็ค่ะในขอโทษนะคะที่ถามคําถามงงๆที่แบบว่าเริ่มปฏิบัติอะไรอย่างนี้พม่เป็นไม่เป็น ไ, ไ, ไรหรอกทุกคนก็ต้องมีการจุดน้ำต้นกันทุกคนค่ะคืออ่าตอนปฏิบัติมาหนก็ค่อขนข้างสับสนนะเจ้าค่ะว่า เอหรือว่าจะให้ลงเข้าลงออกแล้วเข้าแล้วพุทธออกแล้วโอะไรอย่างนี้จ้าค่ะก็เลยอ่ามันย่อมยากเบาๆพุทธโทไปเลยไม่ต้องไปนสนใจลมแล้วดูลมไปเลยไม่ต้องสนใจพุทธโทเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจ้าค่ะอ่าแล้วหน่อยจะถามพระอาจารย์อย่างถ้าหน่อยเขียนโปรแกรม น, นี้ก็ไม่ใช่การเข้าสมาธิใช่ไหมจ้าค่ะอ๋อไม่ใช่เป็นการ ถาไม่เราอยู่กับการเขียนตัวแกรบแล้วสดงว่าเรามีสติเปสติอยู่เป็นการจดจ่ออยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ใช่แต่ถ้าจะเป็นสัเติที่ถูกต้องต้องไม่คิดด้วยให้จดจ่อให้รู้เฉยเฉยแต่ถ้าคิดก็ถือว่าเป็นการสติมีสติ แ, ตแบบมีสติแบบคิดซึ่งไม่ไ ม, ม่เป็นประโยชน์สําหรับการฝึกสมาธิเพราะการฝึกสมาธิเราต้องการอยู่ภาพคิด ก็ก็สงสัยว่าเพราะว่าการเขียนโปรแกรมไม่ใช่เพราะมันต้องคิดอยู่ดีใช่มันก็ไม่เป็นสติแบบสมาร์สติมันเป็นวิญญาสติเจ้าค่ะก็ไม่ต้องนั่งแล้วก็นิ่งนิ่งเฉยๆไม่คิดใช่นนั่งดูดูดูการกระทําของเราเนี่ไปหลับกินอาหาร ทำอะไรแล้วก็ดูไปไม่คิดอะไรอันงเนี้ยถึงเรื่องเป็นสติที่จะทําให้เกิดสมาธิต่อไปได้เจ้าค่ะห น, น่อยมีความรู้สึกว่าแค่นั่งสำหับหน่อยนะแค่นั่งแบบว่าชั่วโมงหนึ่งทําไมเป็นอะไรที่แบบว่าฝืนตัวเองมันยากจังเลยภาษาเพราะมัอ ย, อยากคิดไงใจมันชอบคิดจนก็จะ ช, ชักไปเยื่อยๆมันนั่นอะไรค่ะเอ่า อาจบอกว่าอดข้าวศีลคือศีลแปดคะ่ะที่จริงหน่อยถือได้หกศีลหกข้อข้อที่เจ็ดกับข้อที่แปดก็คือนอนในที่อยวคือถ้าถามว่าอ่หน่อยก็จะคือกับสามีอ่ะหน่อยบอกไปแล้วว่าถือศีลแปดก็จะแค่ปุ่มมือกันนอนแต่ว่าคือเรื่องเรื่องคือสามีเป็นคนตัวผิดอะไ่าหน่อยก็ไม่รู้ยังไง เขาก็บอกว่านอนนอนแบบว่าเถืยจับมือเฉยๆเพื่อที่จะแบบว่าให้ประมาณว่ากุ่นใจอะเจ้าค่ะแต่ที่จริงคือถ้าไม่ถ้าไม่ได้ร่วมเพศกันก็ถือว่าไม่ผิดสิครัข้อข้อสามค่ะขอ ง, ข อ, ง, ข อ, ง, ข อ, งอ่าอย่างที่ผ้าจารย์บอกของนี้มันอยู่ที่ใจใช่ไหมเจ้าค่ะคือถ้ามันอยู่ใกล้กัรมั น, น, นจะทําให้เกิดความอยากร่วมเพศขึ้นถ้ามันอยู่ห่างกััน ก, ก็ยาก ค่ะอะ่ก็ครบกันมาตั้งหลายปีแล้วนะเจา้าค่ะคือมันเรื่องเรื่องนี้หน่อยมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหน่อยพิจารณาอสุภะหรือเปล่าเจ้าคะก็เลยแบบว่าเฉยกับเรื่องนี้ไปเลยถ้าเราไม่มีปัญหากับมันก็ไม่ต้องกังวลกันถ้าเราเฉยไม่ต้องนอนจับมือกันก็ไม่เป็นไร้เรามไม่มีายารบกโอเคไม่มีเจา้าค่ะแต่ ก็มีความรู้สึกว่ามันก็ถือได้แค่นี้แต่ว่าหน่อยก็จะอดข่าวอย่างที่พระอาจารย์บอกใช่ค่ะรู้สึกว่าตื่นตื่นตัวตลอดก็คือเหมือนกับติดติดมีความตื่นตัวไม่เหมือนกับแต่ก็ไม่ได้ถูกนะเจ้าที่หิวก็ดีถ้าเปดไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะ หนก็เลยสงสัยว่าคือไหนก็นั่งดูอยู่แต่ไหนไม่แน่ใจว่ามันมั น, ม, นมันมีความรู้สึกยังไงจ้าค่ะก็มันว่างแม่เขียนมันว่างมันได้เปล่มหมายของการปฏิบัติจะให้ใจเราเนิ่งแม่ว่าติดมีความว่างใช่ไหมคะอ่าไม่มีอารมณ์ไม่มีความน่ชาชังกลัวหลองกับอะไรเม่ใช่ เ, เจ้าค่ะถ้าอย่างนั้น อ่าเราต้องอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆใช่ไหมเจ้าคะก็ตลอดเวลาเป้าหมายก็คือให้มันตลอดชีวิตไปเลยเจ้าค่ะอ่าคือหมดคำถามแล้วก็จะเจ้าค่ะเพราะว่าไหนเหมือนว่าใหนเห็นแสงอะไรสักอย่างนี่แหละเจ้าค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าอแล้วคอมพิวเตอร์พระอาจารย์เป็นอะไรเจ้าค่ะเออมันก็เป็นอ น, นิจจมันบางทีก็เสีย มันก็เสียก็ซ่อมมันไปตอนนี้ก็หายแล้วแต่เดี๋ยวมันก็เป็นอีกก็ได้ทั้งนั้นแหละใช้มานานหรื อ, อยังจ้ะคะเพิ่งเป็นได้แค่เมื่อเมื่อไม่มกี่วันมานี่แล้วพอมามาซ่อมมามาเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งแล้วขยับสายมันมันก็โอเคแล้วตอนนะี้เปลี่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ภิจารณาคือเปลี่ยนอะไรจ้ะคะอ๋อมันเป็นตัว p ว w e r ตัวที่ส่งไฟฟ้าส่งไฟให้กับเครื่อง เออแล้วเขยก p o w ค่ะแล้วเราไม่มีปัญหาหอะไรใช่ไหมเจ้าคะก็ตอนนี้ไม่มีแต่มันอาจจะมีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ต้องดูไปอ่าเหมือนกับว่าถ้าเป็นโน t e b หรือเปล่าคะของอาจารย์ไม่เป็น PC เป็นถ้าเป็น PC อ๋อเพราะว่าสปายเตรเจ้าค ะ, คะอ่าต้องต้องดูด้วยนะเจ้า ค, ะคะ่ะเดี๋ยวถ้าหน่อยไปไปวัด เราไม่จ้องหรอกไม่ต้องไม่ต้องมีที่นี่เปันช่างเป็นคนดูแลตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรอ่าพระอาจารย์หนในประวารณาพระอาจารย์บอกได้เลยนะจ๊ะคะได้ได้แต่ผู้หญิงไม่ควรจะเข้าใกล้พระมากเกินไปน่อยหน่อยไม่เข้าใกล้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวหน่อยให้แฟนหน่อยไปค่ะอ๋อไม่ไม่ต้องหรอกเรื่องราวนี้ถ้าเราถ้าเราไม่เดือดร้อนไม่ต้องไม่ต้องกังวลถ้าเราบอกขอค่อยค่อยว่ากันนะ ได้สัาพระอาจารย์โอเคนะขอบคุณมากมีมีมมจิตศรัทธามีควาเมตตาใช่สัตถ์ถ้าพูดถึงศรัทธาตั้งแต่ฟังธรรมะพระอาจารย์มารู้สึกศรัทธามากมากเลยนะคะศรัทธาในพุทธศาสนาแบบับคือพระอาจารย์ชี้ทางสว่างแล้วก็ทำให้หน่อยดึงสัญญาอะไรต่างๆก่อนหน้านั้นเหมือนกับว่า ไหนเป็นคนที่ปฏิบัติมาเสเปะจสปะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนบ้าเจ้าค่ะอยา่อยาต้นชนไปลายไม่ถึกส่วนใหญ่คนปฏิบัติเพราะว่าไม่ศึกษากัวนใหญ่เรเอีก่อนปฏิบัติฟังมาฟัามาหน่อยแลว้วเอาไปปฏิบัติกันนะก็เลยปฏิบัติกันแบบผิดๆทุบๆไปมันมีขั้นมีตอนท อ, อย่าง โปรแกรมอยังมีขั้นมิติอนนี้คุณเขียนโปรแกรมนีนะไม่ใช่นักอยากจะเขียนก็เขียนขึ้นมาเองไม่ได้เห็นใช่เจ้าค่ะอืมเป็นอย่างมันมีขั้นิตอนน่ว่ายน้มันก็มีขั้นมิติอนตีเทนนสมันก็มีขั้นมิตตอนตีกอลมันก็มีขั้นมิตตอนไม่ใช่ไปดูเขาตีแล้วแล้วไปไตีเองเลยมันก็ตีแบบสเปสปารก้ โอเคนะเดี๋ยวต้องไปกลัวกระัหนหันสอนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเจ้าค่ะโอเคคุณกาลยาวันเนถ้าอันนไม่ถูกก็ขอโาษด้วยอยู่ที่ไหนเปิดไมค์่อนน่านอ่า่ได้เลย ไ, ได้เลยนิมนะนิกกะะาายมะนิยนะยมนะนยมนะนิยนะนิยมนะนิยมนะนยมนะนิยมนนิยมนนยมนะนนะนิะนิยมนยมอยะน่นะ ะ, าาะาายะยน อยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์ตรง<ด>สายสามนะค่ ะ, ะค่ะพระอาจารย์คะเอ่อที่ผ่านมาเนี่ยฟัง YouTube ของพระอาจารย์มาตลอดนะคะก็เออดีใจมากที่เข้ามาวันนี้น ะ, ะก็เออมีเรื่องสอบถามนะคะพระอาจารย์เอ่อในกรณีที่เราเดินออกกำลังกายนะคะเราเราเดินไปเนี่ยแล้วเราก็ฟังธรรมะไปด้วยนะคะแล้วบางทีก็ เดินแบบพุทโธแต่ว่าเดินเร็วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ได้ได้ได้เนืปการจรสติฝึกสติไปค่ะได้ได้ได้ทําอยู่นะคะมาจ้าแล้วเอกรณีที่เวลาทํางานเนี่ยเวลาที่เราเกิดอารมณ์เนี่ยค่ะในกรณีที่ไหนจะเพื่อนร่วมงานไหนจะทีมงานอะไรเงี้ยลูกน้องอะไรเงี้ยว่าเราอะไรพวกเนี้ย ก็พยายามเจริญสติเหมือนพระอาจารย์สอนในยูทูปป่ะค่ะว่าอย่ายึดติดว่าเป็นตัวครูของครูน ะ, ะแล้วก็ไม่ไม่ให้ตัวเขาไม่ให้ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เป็นเสียงเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นร็อตไปค่ะแต่ว่าก็ยังทําใจลําบากอยู่นะคะก็เหมือนกันอยู่ในทางโลกนะคะค่ะก็พยายามอยู่นะคะพระอาจารย์บางบางคําศัพท์ทางธรรมะ่ะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะ อาจจะเป็นเพราะยังไม่ค่อยได้ศึกษาหรือจริงะคะ่ะแต่ก็ฟัาได้ค้อห า, อาได้หาใ น, นในมือถือได้ทำนั้นไม่เข้าใจอ็ส่เขียนใส่เข้าไปมันก็จะขึ้นมาค่ะก็พยายามฟังท่านอื่นนะคะก็ไ ด, ได้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะก็มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ก็ดีไพยายามฝึกไปไเรี่ยกนั่งสมาธิให้ได้นะเวลาไม่มีอะไรจะทำก็นั่งหลับตา ดูลองทธ่ปายจมูกนั่งพุโทโธพุโทโธไปค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งค่ะพระอาจารย์เอ่อถ้าเราพุทเนี่ยเราสูตรลมหายใจเข้าไปนะแล้วโทเนี่ยเราเป่าปากยาวๆอย่างเงี้ยได้ไหมคะพระอาจารย์ถือว่าเราเออควรจะควรจะให้มันเป็นธรรมชาติหายใจแบบธรรมชาติไม่ต้องไปเป่าปากมันให้มันเข้าออกตางจงมูกตามปกติของมันไม่ต้องทําอะไร ได้ lee, เคยเข้าไปกับพระอาจารย์ที่ ท, ที่วัดนะแล้วก็ไปบวชพามมาด้วยนะคะ<ม>ก็โอกาสค่ะบ้างกา็มาใหม่ค่ะบ้างก็มาใหม่นะค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์สาธุนะจ้ะโอเคตอนนี้ก็เสร็สว่าแล้วคิวของเบนจูบนะเบนจูบคือชื่อมี มีทั้งหมดสิหกคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ค่ะนนคำถามแรกจากคุณโชติกาสวัสดีค่ะสวสดมนต์คาถามหาจักพัทจะสวสดหนึ่งร้อยแปดจบมาติดที่บทที่ยี่สิบปดถึงยี่สิบเกสวดต่อไม่ได้มันคันตรงใบหน้าคันตรงปลายจมูกมากๆค่ะคันแต่ตรงที่เดิมจนสวสดไม่ได้ค่ะเลยไปอาบน้ำแล้วมาสวสดใหม่ทั้งหมด แต่ก็ยังคันค่ะทนสวดจนจบเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าไม่ดีใช่ไหมคะก็แสดงว่าตอนนั้นสติเราไม่มีมันถูกอาการคันคล้องนนจิตใจไ ม, ไม่สามารถทำสิ่งที่เราต้องการมาทำได้ก็ต้องพยายามพยายามฝืนมันอย่าไปวมันอย่าไปนสนใจกรรมการคันให้สนใจอยู่กับบทสวดเพื่อสวดต่อไป มีสองคำถามจากคุณเพกกี้นนท์ค่ะคำถามแรกน้อมกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะพระโสดาบันสามารถไปนิพพานได้ไหมเจ้าคะอ๋อก็เป็นจุดเริ่มต้นขอ ง, งการไป็นสุขอนิพพานต้องผ่านขั้นโส ด, ดาบันก่อนขั้นโ ส, นสดาบันเข้าไปขั้นที่สองขั้นสกุฎาข้ามมีจากขั้นที่สองก็ไปขั้นที่สามอานาข้ามีจากขั้นที่สามก็ไปขั้อาหาร พอถึงขั้นท่าฐานาก็ไปถึงนิมิต ค, คำถามที่สองนิมิตในสมาธิกับความฝันในขณะหลับเหมือนหรือแตกต่างกันไหมเจ้าคะเกิดจากความปรุงแต่งของจิตใช่ไหมเจ้าคะคือถ้าเป็นนิมิตในสมาธิจริงมันเกิดจากอภิญญาอภินย า, ยาจิตนอีอภิญญาจิตสามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆที่มีหรือได้ เป็นความจริงยเห็นกายจีพเห็ น, นอารชาติได้สัน่นแต่ถ้าเวลาน อ, นนอนหลับนี่มันเป็นความจริงตรงต่ของจิตคำถามต่อไปจากคุณสุรชัยกลาบนมัสการครับขอถานพระอาจารย์ครับการเปิดร้านรับเช่าบูชาพระนี้ผิดศีลหรือบาปไหมครับได้ผิดศีลไม่บาปครับทำได้ คำถามต่อไปจากคุณน้ำทิพย์เราควรทำใจอย่างไรคะกับคนที่ให้ร้ายเราคะ่ะคิดว่าเขาเป็นเพื่อนกับเราเขาเนาะให้ร้ายกับเราเราจะได้เป็นให้ข้อสอบเราทำ่าเราจะสร้างเมตตาเขาให้ได้เราต้องไม่ไปถือโทษกดขีนเขาเราก็ให้อภัยเขาไปคำถามต่อไปจากคุณจันทพร อยากให้พระอาจารย์อธิบายพชชงเจดที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆกราบนมรส ก, การขอบพระคุณค่ะก็เอาอันแรกก่อนพุชง ม, มีต้องเยอะแยะอันแรกก็คือสตินะให้เราปรึกสติ ก, กันต่อนมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวก า, การกระทำต่างๆของร่างกายเมื่อเรามีสติแล้วเราก็นั่งสมาธิแล้วเราก็จะได้รูเดกขา คำถามต่อไปจากคุณจ้อนมีสามคำถามต่อเนื่องค่ะปรับเรียนถามพระอาจารย์ครับทุกวันพระที่วัดหนองสนจะมีอุบาสกอุบาสิการักษาศีลแต่จะสมาทานศีลในศาลากา ร, ปรเปรียนไม่ได้สมาทานในอุโบสถแล้วใช้คําอัดถังคะสมณนนะฆตังอุโปสถังยาจามะอย่างนี้ใช้คําถูกต้องไหมครับ อันนี้เป็นเรื่องของพฤธีกรรมตัวเนื้อหาสาระจริงก็เกิดตัวศีงห์แปดสิแปดถ้าไปรักษาในอุโบสถเขาเรียกว่าอุโบสถสิงห์รักษาที่อยู่นก็เรีว่าสิงห์แปดแต่ก็ใช้คำสิงหแปดเหมือนกันไม่ต่างกันตรงไหนไม่ต้องไปกังวลกับคําคํากล่าวคาอะไรหอให้รู้ว่าสิงหแปดมีอะไรแล้วก็รักษามันให้ได้ก็แล้วสังคำถามต่อเนื่องคือศีลอุโบสถ ถ้าข้อใดข้อหนึ่งขาดอย่างนี้ถือว่าขาดทุกข้อหรือเปล่าครับมันจะไปขาดได้ยังไงไม่เราไปกินเหล้าเราไปทําให้เราไปฆ่าคนด้วยหรือเปล่ามันมก็ไม่ได้เกี่ยวกันเท่าไหร่ใช่ไหมมันขาดข้อไหนเมันก็ขาดข้อเดียวอนอกจากว่าเรากินเหล้ามาแล้วเราโกรธแค้นโกรธเคืองเราเอาปืนจะยิงคนอื่นนะมันก็ขาดข้อที่สองแต่ข้ออื่นก็ยังไม่ขาดเราไม่ได้จะขโมยอะไรเขาเราไม่ได้ไปนอนหลับกับลูกเมียเขาสามีภรรยาเขา มันก็ไม่ผิดิใช้ปัญญาคิดนหน่อยดิทำผิดข้อหนึ่งแล้วมันทำให้ข้ออื่นผิดไปหมดหรือเปล่าเช่นคุณยอมขับรถเกินที่ว่ขับรถก็เร็วไปหน่อยก็ผิดทุกอย่างเล ย, เลยใช่ไหาขับรถชนคนตายไปผิดใจหมดเลยมันก็ผิดแต่เฉพาะที่เราทำผิดเท่านั้นแหละคำถามต่อเนื่องคือการถือศีลอุโบสถจาเป็นต้องนอนวัดหรือเปล่าครับ ก็พอนอนในโบสถ์เขาเรียนว่าศีลนบสถ์นะนข้าใจไหมคือชาวบ้านอ่ะเขาเขาอยากจะปฏิบัติธรรมเขาไม่มีที่ปฏิบัติที่วัดก็ไม่มีที่ให้ชาวบ้านผู้หญิงนอนเพราะว่าเราให้มันนอนนวมกันในโบสถในโบสถ์ในฟังเทศฟังธรรมในโบสถ์ศีลในโบสถ์แล้วก็ปฏิบัติธรรมในโบสถ์นอนในโบสถ์ในในตัวเพราะมันแค่คืนเดียวเราเรียกโบสถศีลเงิน คำถามต่อไปจากคุณวุฒิโชคอยากทราบว่าการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นต้องรู้ไปถึงชั้นไหนครับให้รู้อยู่ทุกขณะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กำลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกาลังนอนกําลังกินกําลังดื่มกําลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาอะไรอย่างเงี้ยให้รู้อยู่ทุกขณะคำถามต่อไปจากคุณนัชชา กราบน้ำมัศการพระอาจารย์ค่ะหากแม้นมีโอกาสจะได้ไปกราบท่านนะคะสาธุค่ะหนูอยากปฏิบัติกรรมฐานแต่ยังไม่รู้วิธีเท่าไหร่เพียงแต่ค่อยๆทำไปตามที่เราคิดว่าทำได้มีที่ไหนที่มีเรียนวิปัสนากรรมฐานไหมคะก็ลองค้นหาอยู่ในอินเทอร์เน็ตอูลเราเสิร์ในกูเกิลบอกว่าสถานปฏิบัติวิปัสนามันก็จะโผล่ขึ้นมาเยอะแยะ คำถามต่อไปจากคุณเดอะมาลทเวอร์ซัลยูนิตี้กราบณัสการครับขอโอกาสครับขอท่านพระอาจารย์เมตตาแนะนําเรื่องหน้าที่ต่อปัจจุบันธรรมครับกราบขอบพระคุณครับหน้าที่ปัจจุบันก็คือให้จิตเราอยู่ในปัจจุบันอยากให้ายู่อดีตอยากให้อ ย, อยในอ น, นาคตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันเพราะทะกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามันอยู่ในปัจจุบัน กินข้าวเามกินในปัจจุบันเราไม่ได้กินในอดีตเราไม่ได้กินในอนาคตอ่าหน้ำเราก็อ่านในปัจจุบันเราไม่ได้อ่านในอดีตเราไม่ได้อ่านในอนาคตงานการกระทำต่างๆของเรานี้มันทําในปัจจุบั น, แ, น, น, น, นแต่จิตเราบางทีมันไม่ยอมอยู่กับปัจจุบั น, น, น, อ, บจจบนอ่าหน้ำไปเราคิดถึงคนนู้นคิดถึงที่นู้นที่นี่คิดถึงเมื่อวานคิดถึงพรุ่งนี้ไปอย่างนี้เรียกว่าไม่ทําหน้าที่ในปัจจุบันะ แลาณอถาบัที่ในปัจจุบันนี้เกิดต้องอยู่กับเหตุการณ์กี้าเกิดขึ้นในปัจจุบนันท่านแทนต่อไปจากคุณวาสนาน้อมกราบนมัสการพระจารย์ครับขออนุญาตรายงานผลของการรักษาศีล8ตลอดพรรษาครับช่วงเดือนที่2กรรมราคะมีความรุนแรงมากครับเกือบไม่รอดครับมันหนักอยู่4วันค่อยเบาลงครับอสุภะไม่มาเลยครับ แต่ได้ทำที่พระอาจารย์เทศบอกว่าให้ดูมันไม่ทำตามมันและอดทนก็เลยรอดมารักษาศีลแปดอยู่ได้ครับวิธีนี้ใช้ได้ผลกับทุกความอยากใช่ไหมครับศีลแปดไม่ง่ายมากแต่ก็จะตั้งใจให้มากครับน้อมกราบขอบพระคุณครับก็ใช้ได้ถ้าเราหยุดมันได้มันใช้ได้แต่างทีมันหยุดแล้วลมันอาจะวนกลับมา แต่ถ้าเราใช้ปัญญาใช้อสุภะหรือใช้ใจรักมันก็จะไม่ผลกลับมาคาถามต่อไปจากคุณแบมแบมกราบนมัสการค่ะหนูอยากเร่งความเพียรเคยเนสัญชิกแต่ง่วงมากจริงๆถูกจลิตกับที่น่ากลัวแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนจึงลองอดอาหารดูหนึ่งวันก็ไม่รู้ว่าไม่รู้สึกหิว แต่ก็ไม่กล้าอดต่อกลัวจะเจ็บป่วยขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยค่ ะ, ะครับที่ถึงความตายว่าอยอดะไม่ยยไมวา่าก็ต้องตายอยู่ดีเมื่อถึงเวลาถ้าการหมดนี้มันเป็นอุบายที่ดีช่วยให้เราเจริญสติแล้วก็เราก็อดไปไม่ต้องกลัวตายไม่อย่างนัต้องตายอยู่ดีแต่ตายแบบได้ทรามะมีแว่ตายแบบไม่ได้ทรรมะ คำถามต่อไปจากคุณเอกวิทยถือสีลแปดถ้าทานวันละมือ้อสามารถทานอาหารที่เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาก่อนเที่ยงได้ไหมครับก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่สถานที่ที่เราไปอยู่เม่าเขาเก็บงานไปไ้ เ, เ, เาหมือนตวัดตัวให้่กินตอนเช้ า, ม, า, า, ม, า, ามันว่าจระกีบบ่ายน้อยจากภาคกลางจะเป็นสบายก็ทำมาที่ศาลาใส่อาหารกันมีญาติโยมมาถวายก็รับไว้เมื่อแจกกะ ฉั้นกับญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมปรันรับประทานพอๆประทานไปแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเนี่ยเรื่อกินตาสี่เหลี่ยมงก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ไม่ต้องไปกลัวหรอกไม่ต่างกันกี่เหลี่ยงกินแปดงัลไงกินสีงเหลี่ยมเนื้ังจากเสี่ยงความไปแล้วก็หิวอยู่ดีถ้ามันจะอหิวแต่เราไม่ต้องกลัวความหิวเราไม่ได้เรากินเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้ก็พอแต่มันจะหิวไม่หิวมัน่ง ส้าเราภาวนาเราปฏิบัติ จ, จะนั้นสติได้ความเสื่อีโไม่ค่อยเกิดบอย่ันเกิดจากความคิดคุ้มใจคุ้มใจนคำถามต่อไปจากคุณชัดคาวาส ก, กิพระอาจารย์มีลูกศิษย์มาตั้งสาขาวัดทางภาคอีสานบ้างไหมครับไม่มีเลยเราไม่มีลูกศิษย์นะคำถามต่อไปจากคุณอรณิชาขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ โยมมีคนรู้จักท่านหนึ่งเขาชอบยืมเงินโยมยืมมานานมากหลายครั้งมากๆเจ้าค่ะเป็นเวลาหลายปีรวมเป็นยอดเงินมากโขสำหรับโยมเจ้าค่ะ แ, แปลกใจมากเจ้าค่ะทุกครั้งที่เขายืมโยมไม่เคยที่จะไม่ให้และไม่โกรธเขาที่เขาไม่คืนเจ้าค่ะยอดแสดงว่าเราค้างไมด้วยกาเ คำถามสุดท้ายจากคุณอังคณาพรกราบนมัส ก, การค่ะขอถามค่ะนั่งสมาธิไปเกินหนึ่งชั่วโมงอีกยี่สิบนาทีจะครบแต่อยู่ๆการหายใจก็หายใจไม่ออกทำอย่างไรดีคะถ้าดูไปเฉยๆดูไปค่ะคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะ มีใครอยากจะถามหนึ่ไหมตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่บนะ้างใครอยากจะถามว่ายน้ําเงินขึ้นแล้วก็ปล่อยมาไมด้มีอล้วนะในระยะนี้จะได้ยูทูปคําถามสุดท้ายเหมิมมงคําถามครับคําถามสองคําถามจากคุณเยี่ยหัวคะ่ะกราบเ ท, เท้าพระอาจารย์ขอรับ สิขอถามด้วยความไม่รู้นะขอรับเพราะเหตุใดองคุลิมานถึงไม่ต้องไปเกิดแล้วโดนคนตัดนิ้วเก้าร้อยครั้งครับทำไมท่านถึงสำเร็จอรหันได้ครับแบบนี้แปลว่าหนีเวรกรรมได้หรือครับไม่ได้เพราะถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ที่ฉลาดสาคนเก็สานให้คนได้บรรลุกับท่าลา พอมันดูเป็นภาพนะครัแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเมื่อไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องมารับรับรับโทษที่เคยทาไว้มันคาพีพันโยกเงิขึ้นเหมือนเปิดต้องเปิดกล้องนะถึจะพูดได้พีนจัดะบิยกแตงเลยนจัดรดมาพูดนะ นกกามัสกค่ะพระอาจารย์ใช้ไม่ค่อยเป็นค่ะไม่ได้ใช้นานแล้วค่ะพระอาจารย์หายไปนานเลยค่ะที่ไหนอยู่ที่ไหนนนท์ค่ะที่ทิศแต่ก่อนเคย เ, เข้ามาค่ะอาจารย์ที่โยมหายไปยมไปเปิดร้านข้าวต้มที่บอกพระอาจารย์คิดสูตรนะคะ่ะว <Okay. S 2> ันดีคุณแม่โยมป่วยกระทันหันนะคะเดือนมิถุนา คุณแม่ตกบนไดก็เดินไม่ได้เลยอะค่ะต่แรกโยมก็ถามแม่แม่บอกไม่ค่อยมีแรงโยมก็ปิดร้านไปดูที่บ้านพอไปดูคุณแม่ลุกจักเตียงไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยปิดร้านไปดูแลคุณแม่ทั้งวันทั้งคืนนะคะเดือนแรกอะคะ่ะ <c oughs> แต่ต้องยอมปิดปิดร้านปิดความหวังตัวเองค่ะแต่ถ้าไม่ปิดก็คุณแม่ก็แย่ค่ะใช่ดูนายคุณแม่ก่อนแม่สำคัญแต่ แ, แต่แตช่วงแม่ก็ป่วยหลายเดือนสามเดือนนี้ยังนอนติดเตียงอยู่เลยค่ะพระอาจารย์ยังวิ่งเข้าออกอยู่โรงพยาบาลเดือนที่แล้วนอนสิบแปดวันเดือนนี้นอนยี่สิบวันยังไม่ออกเลยค่ะตอนเนี้ค่ะเห็นแล้วก็ เห็นแล้วก็มันโยมไปยืนอยู่หน้าห้องสุกเฉินบ่อยมากเลยพระอาจารย์หลายเดือนอที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันมีจะทําเห็ น, น, นแล้วเขอกนะว่าต่อไปรับร่าาไปอย่างนี้มันมันเลยต้องดับดับที่ใจตัวเองอะค่ะพระอาจารย์มันมันเหมือนกับเห็นแล้วเหมือนกับมันได้ความคิดว่าเวลาคนเราเจ็บเราป่วยเรา เป็นอะไรมันแทนกันไม่ได้มันช่วยกันไม่ได้จริ ง, รงๆค่ะพระอาจารย์แล้วมันหินหินแต่บุญกับบาปที่มันแล่นอยู่อะค่ะคือแต่ละคนมีเหตุและผลของเขาแต่ละคนไปด้วยบุญได้ด้วยบุญด้วยบาปของแต่ละคนนะคะพระอาจารย์ถูกต้องอยู่แล้วเหมือนกาน อยากจะช่วยอยากจะยื้ออยากจะทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเหมือนมันก็มีเส้นมาท่านระหว่างบุญบาตที่ทําให้เราทําอะไรไม่ได้ไปมากกว่านี้อะค่ะพระอาจารย์นอกจากทําใจของโยมเองอะค่ะให้ดับแต่โยมอย่าไปชุกนะชุกเขไม่ได้ทำอะไรให้ดี้มันมันมันมันมันเหมือนแบบมันเต็มหัวอกเลยพระอาจารย์มันพูดไม่ออกมันเห็นบุญบาตมันพูดไม่ออกอะค่ะพระอาจารย์พอถึงเวลาที่แบบ จะต้องเซเวยพวกนี้ค่ะมันมันทำอะไรแม่จนทำให้โยมสั่งวอรระวังตัวเองมองย้อนกลับมาเหมือนกับสะอุดเข้าไปที่ตัวเองว่าเออวันนี้เป็นแม่โยมสักวันโยมก็ต้องแก่โยมก็ต้องเจ็บโยมก็ต้องสักวันก็ต้องเป็นมันเป็นธรรมดาของมนุษย์ค่ะพระอาจารย์มันก็เห็นธรรมะตรงเนี้ขึ้นมาค่ะพระอาจ า, ายรย์อ่า ถูกต้องไหมครับพระอาจารย์แต่ตอนเนี้โยมโยมก็กลับมาอยู่บ้านครับพระอาจารย์แมวโยมโยมทิ้งแมวกับหมาไว้ที่บ้านตอนนี้แมวโยมหายไปโถโยมก็มันออกไปอยู่ข้างนอกพระอาจารย์ใจหายเหมือนแม่โยมอะค่ะถ้าถ้าแม่โยมพูดได้ก็คงอยากให้โยมกลับไปอยู่กับท่านนะคะมันก็เหมือนกับแมวโยมที่หายออกจากบ้านไปทราเรียกได้โยมก็อยากให้มันกลับมาคุพระอาจารย์มันก็หัวอกแม่หัวอก มันของเราก็ไม่ต่างกันนะคะพระอาจารย์แต่สุดท้ายโยมก็ต้องดับทั้งคู่ทั้งทั้งอะไรอาวรทั้งทั้งแม่ทั้งแมวโยมก็ต้องดับอะค่ะพระอาจารย์พอมาดูที่ใจเราแล้วเราก็ต้องพยายามดับอุเบกขาแต่บางทีมันมันอุเบกขามันเหมือนกับป่าดินพักคลาสคลาสเหมือนกันค่ะ พ, พ, พ, พ, พ, พระอาจารย์มันก็ทรมานอยู่ลึกๆแต่ ในวิบากรรมของแต่ละคนเราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไ้มคะพระอาจารย์นะนอกจากสังวรระวังวิบาของตัวเองไว้ที่ดีใช่ไ้มคะพระอาจารย์นะแต่เอแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะพระอาจารย์คือว่าโยมเกิดคำถามในตัวเองอะคะ่ะคือปกติสมัยก่อนที่ มีโยมยังยังไม่ได้เปลี่ยนหน่วยงานราชการนะคะก็คือยังกลับบ้านทุกวันแต่พอเปลี่ยนหน่วยงานราชการเนี่ยไม่ค่อยได้กลับบ้านยิ่งโควิดก็ยิ่งไม่ค่อยได้กลับอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วพอเวลาที่แฟนโยมไม่กลับเนี่ยโยมก็หากำลังใจของตัวเองโดยการสมาทานศีลแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมในเรือนนะคะคือโยมอยู่กับลูกแค่สองคนแล้วก็เลี้ยงหมากับแมวเป็นเพื่อนนะคะโยมก็นึกว่า สามีโยมทําหน้าที่แล้วโยมก็เลยต้องอยู่เพื่อลูกอะค่ะทําหน้าที่เพื่อลูกกลายเป็นว่าเดี๋ยวเนี้ยโยมรู้สึกว่านิสัยโยมอยู่เพื่อคนอื่นมากขึ้นนะคะพระอาจารย์อยู่เพื่อหมาอยู่เพื่อแมวอยู่เพื่อลูกแต่ใน ใ, ในในการทําหน้าที่อยู่เพื่อคนอื่นนะคะพระอาจารย์มันมีลึกๆ ก, ก็แอบอยู่เพื่อตัวเองเหมือนกันค่ะพระอาจารย์โยมก็รักตัวเองอยู่อะค่ะโยมโยมก็แบบเมื่อก่อนเคยไปวัดวันพระวันอะไรเดี๋ยวนี้โยมไม่ได้ไปเลยค่ะพระอาจารย์ โยมไม่มีวันพระวันโกนวันอะไรโยมไม่มีโยมมีอยู่วันเดียวคือคือวันวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะคะพระอาจารย์แล้วก็ทำหน้าที่ของโยมให้ดีที่สุดแล้วก็การภาวนาของโยมเมื่อก่อนโยมใช้พุทโธแต่พอพุทโธดับเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งลมหายใจตอนนี้มันไปทรงอยู่ที่สติกับจิตนะคะในการเคลื่อนไหวกายกับจิตวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี้ยคะ่ะคือเวลาเราทางานบ้านหรืองาน ต่างๆมันก็อยู่ในการเคลื่อนไหวอิริยาบถ ท, ทุกอย่างในการในร่างกายเราเนี่ยค่ะในการทํางานแต่ว่าบางทีมันก็มาทิชจิตเหมือนกับว่าเวลาเราเห็นทุกเห็นเวทนาเห็นอะไรมันก็กลับย้อนกลับมาดูเหตุเหตุตัวนั้นแล้วมันก็ดับด้วยปัญญาด้วยเหตุตัวนั้นนะคะค่ะอาจารย์แต่ว่าโยมมาบางทีสมัยก่อนเดี๋ยวก็ศิลปหเดี๋ยวศิลปแปดบรรกลบรรพะเดี๋ยวนี้ โยมก็ไม่ทราบว่าโยมแย่ลงหรือว่าดีขึ้นหรือยังไงไม่ทราบก็จะถามพระอาจารย์คือโยมไม่มีสินห้าแล้วไม่มีสินแปดค่ะพระอาจารย์แต่โยมถือกรรมบทสิบค่ะพระอาจารย์แล้วบุญที่โยมถือโยมก็ถือบุญกิยาวัตถุสิบค่ะในชีวิตโยมโ ย, ยมมีแค่สินกรรมมาบทสิบอะค่ะพระอาจารย์คือไม่ว่าจะวันโกนวันพระวันไหนๆโยมก็กรรมบทส10บทุกวันนะคะบุญกิยาวัตถุสิบโยมก็ทําทุกวัน วันที่แฟนโยมไม่กลับบ้านโยมก็บุญกิริยาวัตถุสิบวันที่แฟนโยมกลับบ้านโยมก็บุญกิริยาวัตถุสิบสินข้อเดียวที่โยมรักษาครับพระอาจารย์อย่างเนี้ยพระอาจารย์ว่าโยมปฏิบัติถูกทางไหมคะพระ อ, นะอาจารย์ถูกแล้วดีมากดีมากค่ะนะค่ะพระอาจารย์ค่ ะ, ระนรมาสการค่ะพระอาจารย์ก็คิดว่าพอจงพนจากกามาโนทิน ขอให้ทัานจำนำบางสิงที่ทัานได้ยินในความความพูดุยพิจารณาความฉบัิเพิ่อความสดความเชื่อั่นก้าหน้าในควม่งนิ่งขึ้นไปเธ อ, อ